บทที่87ชายันอันนันไทรทะลึ่งพรวดขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วตบปบมือไปทางด้านหัวนอนซึ่งจำได้ว่าก่อนจะม้อยหลับวางไรเฟิลกับไฟฉายไว้ที่นั่นประกบฮันเตอร์ไว้กับกระโจมมือแล้วกดสวิตช์ลำแสงสว่างจ้าโพยพุ่งสาดขึ้นไปเบื้องบนแสงไฟที่ส่องขึ้นไปในยามนี้ยังไม่ช่วยให้มองเห็นอะไรนอกจากยอดไม้เตีย้ยและชะงอนหินของบริเวณหุบใหญ่ ที่แวดล้อมอยู่กับอากาศ อ, อันว่างเปล่าเวิงวางเหมือนผืนผ้าสีดําที่ขึงกัน้เนเบงร็วแมเ่วิ่งไปเอาเสื้อผ้าของเรามาลูกปืนอยู่ในนั้นผมจะระวังฉายไฟไว้เองเ <_ m ong> ขาร้องอย่างไม่หายใจหายคอมาริฮอบมั่นในสภาพของนางเปรยพุ่งทะลาออกจากที่วิ่งตรงไปยังกองเสื้อผ้าพร้อมทั้งย่ามหลังของหลอนเองและชา ย, ยันซึ่งถอดออกทิ้งไว้ริมฝั่งทาน อันเนื่องมาจากหลับไปซะก่อนที่จะทันตระเตรียมไว้ใกล้ตัวแม่สาวออกแล่นหัวสุนหางออกไปได้เพียงห้าเ้าเท่านั้นมฤตยุที่ยังมองไม่เห็นตัวนอกจากได้ยินเสียงลมปีกที่ครางกระหึมครืนคลันเป็นพายุอยู่เหนือศีรษะจนขณะ น, นี้ก็พุ่งโจนกวดไล่หลังไปราวกับลงปลดลมปีกที่เลยผ่านศีรษะของชายยันพัดวูบพร้อมกับกลิ่นสาบสางอย่างรุนแรงระวังชายหนุ่มตะโกนออกมาสุดเสียง หมุนตัวสาดไฟฉายกับลำกล้องปืนตามเสียงที่โฉบผ่านศีรษะนั้นแวบเดียวที่ลำไฟสา์ให้เห็นเงาทมุนไม่ผิดอะไรกับราหูที่แท้ลงมาใส่มาเรียหยุด600ูนไนโตรในซอกแขนของเขาก็ระเบิดตูมสนันวันไวขึ้นจากลำกล้องสายป๋าสองนัดซอนสถานกรบสับพะสําเนียงใดทั้งสิ้นลงช่วงมาเรียว่องไวสุดยอดพอตัว วิบตาเดียวเท่านั้นที่สัมผัสเตือนให้รู้ถึงมหาภัยที่จี้ติดหลังมาจากเบื้องบนหลอนทิ้งตัวเองคว่ำหน้าลงกับพื้นในลักษณะล้มฟาดโดยไม่คำนึงว่าร่างกายจะได้รับอันตรายเช่นไรในการล้มตัวเองอย่างกระทันหันเช่นนั้นมันก็ชวดเสี้ยวของวินาทีที่กรงเล็บอันแหลมคมจากปลายปีกด้านหนึ่งถากผ่านหลังอันเปล่าเปลือยผิวหนังฉีกขาดเป็นทางรากรคมดาบเฉียวจากลอนก้นขึ้นมาจรดสะบักขวา เลือดซึมเป็นยางบอลตนเองล้มกลิ้งไปสามสีทอดไรเฟิลที่ถือในมือหลุดกระเด็นไปทางหนึ่งโลกทั้งโลกพลิกหมุนไปหมดร่างอันใหญ่โตราวกระวัวมีปีกบินนั้นเลยผ่านลอนพุ่งเข้าชนต้นไม้เล็กๆที่ขึ้นอยู่ริมทานน้ำหักถล่มเป็นทางดังสะเทือนเลื่อนลั่นผลลำธารไปปะทะกับกลุ่มหินฝั่งตรงข้ามพร้อมกับเสียงแผดร้องแหลมยังดุร้ายกโกรธแค้น สำหรับชา ย, ยันนั้นบัดนี้เพื่อนสาผู้ร่วมสถานการณ์ร้ายของเขาจะเป็นเช่นไรบ้างก็สุดที่จะเดาได้กระสุนจากไรเฟิลแฟตทั้งสองนัดหมดสิ้นไปแล้วและกระสุนสำรองก็ไม่ได้มีติดตัวอยู่เลยขณะ น, นี้อดีตนายทหารหนุ่มตะโกนร้องอะไรลั่นออกมาไม่เป็นภาษาฉายไฟลงต่ำค้นหามาเรียซึ่งบัดนี้กำลังตะเกียกตะกายอยู่กับพื้นพยายามจะคลานเข้าหาไราเฟิลของหลอนที่ตกอยู่ห่างออกไปประมาณห้าหกเมตรจะใช้ที่ฉัน ใช้จัดตาของมันไว้ชยันหลอนร้องเตือนเสียงหลงมาชายันได้สติกระดกลำไฟฉายส่องพานละทานน้ำพุ่งตรงไปยังฝั่งตรงข้ามที่ได้ยินเสียงไอ้ค้างคาวผีบินเลยไปปะทะหินหล่นอยู่ที่นั่นพริบตาต่อมานั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงมันร้องเจ๊ฟังแล้วบาดลึกเข้าไปถึงขั่วหัวใจมีเสียงเคลื่อนไหวพปปลุบพับแล้วก็โจพรพลบขึ้นมาจากโคนหิน ที่มันกําลังหมอบคลานอยู่พุ่งสวนเข้าใส่เขาเป็นเป้าหมายที่สองชัยยันไหวพริบดีเยี่ยมมันเกิดขึ้นอย่าง ก, กระทันหันในวินาทีฉุกเฉินขีดสุดเขาตั้งไฟฉายที่ยังเปิดค้างอยู่นั้นไว้บนแง่หินตนเองกระโดดเข้าหลบที่หินใหญ่อีกก้อนหนึ่งทันควันอีกตูม น, นึงที่เปรียบไม่ผิดอะไรกับพายุสลาตันพัดเข้าใส่ไฟฉายที่ตั้งล่อไว้ทุกส่วนใดส่วนหนึ่งของปีกระทบกระเด็นไปตกอยู่กลางพื้นหิน แต่ลําแสงยังสว่างจ้าอยู่เช่นนั้นเพราะหลอดไม่ขาดลมจากปีกและสาบสางฉุนกึกแทบสลบชายันพงษ์หลังจำเบาวลงกับพื้นแล้วพลิกตัวเป็นลูกขนุนเข้าไปหลบอยู่ใต้ซอกพร้อมกับตะโกนสะบดสตร์แช่งเอ็ดอึงระคนไปกับเสียงคำรามร้องอย่างกระหายเลือดของไอ้คางคาวผีมันบินวนฉวัดเฉวียนอย่างรวดเร็วเป็นวงกลมไปรอบๆได้ยินแต่เสียงร้องและเสียงลมปีกที่วูบวาบครื่นครันอยู่ ในนี้เท่านั้นยอดไม้และพุ่งพงเตี้ยเตี้ยลู่ระเนนสะบัดไหวเพราะอำนาจลมจกปีกอันทรงพลังทั้งสองบางยอกหัดขาดวิ่นไปเพราะถูกชนอย่างดุร้ายกรี้ยวกราดกระสุนทั้งสองนัดของชายันที่ระเบิดออกไปนั้นคงพลาดเป้าหมายหรือมิฉะนั้นก็ถูกเข้าที่ไม่ถูกเข้าที่ถนับอาการของมันยามนี้ไม่ได้สอหเห็นเลยว่าจะพละหนีหรือได้รับความเจ็บปวดแต่อย่างไรทั้งสิ้น ยามีก็แต่ความดุร้ายกระหายเลือดหวังที่จะโจมตีเล่นงานมนุษย์ทั้งสองชีวิตให้จงได้เขาพยายามจะคลานเข้าไปทางที่ไฟฉายตกอยู่แต่แล้วก็ต้องถอยหดเข้าหาซอกหินที่หลบอยู่ตามเดิมเมื่อมันว่าทลาเข้ามาเหมือนจะมองเห็นอาการเขาหยุดทุกขณะที่จ้องคอยโอกาสอยู่จังหวะนั่นเองลำไฟฉายจากมาเรียก็สาด จ, จ้ามาทางด้านลำทานที่หล่นเห็นล้มกริ่งอยู่ ตอนนั้นหล่อนคงจะตั้งตัวได้แล้วเจ้าค้างคายสูบเลือดซึ่งคงจะหลุดขึ้นมาจากนารกและหายหน้าจากการราวีคณะเดินทางไปชั่วระยะหนึ่งครั้นแล้วอยู่ๆก็ปรากฏอย่างกระทันหันอยู่โจมถึงตัวชายันกมารีอย่างพรวดพราดราวกับจะมีอะไรชักนามันมาบัดนี้มันบินร่อนขึ้นไปเบื้องสูงในระหวา่างชะง่อนหุบเหมือนจะรู้ว่าตัวมันเองกาลังจะตกเป็นเป้าหมายของกระสุน อาการบินร่อนโฉบเฉวียนเป็นไปอย่างแคล่วคล่องรวดเร็วที่สุดตามคุณลักษณะเดิมของมันชนิดที่ไม่ยอมให้ไฟฉายจับได้ถนัดระหว่างที่ชั ย, ยันเต้นราวไปทั้งตัวโดยทำอะไรไม่ถูกนี่เองเขาก็ได้ยินเสียงไรเฟิลจุด3 7ห้าของเพื่อนสาวแผดระเบิดยังดุเดือดยีสิบนัดซอนเปเลวไฟแลกเป็นทางแดงว่าในความมืดพร้อมเสียงตะโกนเอ็ดอึ้งอย่างบ้าเลือดของมาเรีย จะฆ่าแกให้ได้เจ้าสัตว์นรกแล้วก็อีกปรียงหนึ่งสถานไปในสัตว์อากาศอันเงียบสงัดนั้นกำปันาศของมันราวกับสายอาุนิบาศเสมือนไมหิธิอำนาจอันเกรียงไกลที่พระผู้เป็นเจ้าประธานลงมาให้เพื่อแก้ไขสถานการณ์รายของมนุษย์ทั้งสองชีวิตซึ่งกำลังจะตกเป็นเหยื่อของอาศูนร้ายที่มาในรูปกายของสัตว์ประหลาดมันพังณะร่อนะแลบสูงขึ้นไปอีก ในระหว่างชะง่อนหินที่ยื่นล้ำออกมาจากหน้าผาเบื้องบนแล้วหายแวบไปเข้ายังมุมบางแห่งนั้นต่อมาก็มีเสียงครางกันโชคดังแหบต่ำอยู่ในลำคอซึ่งไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้ว่ามันดังคลายเสียงร้องของสัตว์ประเภทไหนและไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตสำเนียงของมันฟังแล้วบังเกิดอาการสยองกล้าขนหัวลุกชันเสียงนั้นดังสลับกัน ระหว่างเสียงต่ำเครือและเสียงกรีดแหลมยาวสำหรับชัยยันเขาสะดับเป็นเสียงเปรตหรือมิชันนนก็อสุรกายในอบายภูมิร้องขอส่วนบุญมันหวีดยาวโหวยหวนเย็นเ ย, ยือกก้องไปไกลบกคลุมไปหมดทั้งหุบจะเป็นเสียงของความโกรธแค้นเก็บปวดหรือทุกข์ระทมทรมานก็สุดที่จะประมวลออกไปได้ ท้ามกลางขวัญและกำลังใจที่เตลิดไปด้วยความสยองกลัวจนแทบจะระ ง, งับสติอารมณ์ไม่ได้ในขณะนี้มาเรียยิงนัดที่สี่ออกไปแล้ว ก็ฉายไฟกราดส่องไปเบื้องสูงไว้พลังก็วิ่งหอบเอาเสื้อผ้าและย่ามหลังเข้ามาสุดหมอบอยู่ข้างชายันผู้บาดนี้กําลังนอนหมอบกระแตตัวแข็งอยู่ใต้ซอกขินเขามาได้สติอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนสาวตะโกนกรอกช่องหูและล่ําละลักบรรจุลูกปืนเร็วข้ามันได้ได้ชายันตะครุบเสื้อล่าสัตว์ของเขาขึ้นมาแกะกระสุนไรเฟิลที่เสียบติดอยู่กระรังลูกปืนอันเย็บเป็นแผงไว้ตรงอ ก, อกเสื้อออกมาอย่างลนลาน หักลำไรเฟินแฟรแล้วยัด ก, กระสุนเข้าไปอย่างรวดเร็วที่สุดพร้อมทั้งกํำไว้ในมืออีกสองสามนัดในขณะที่มาเรียก็ใช้ไฟจับไปยังชะงอดหินลูกที่เห็นมันฉลับหายลับเข้าไปนั้นแล้วบรรจุกระสุนชุดใหม่ของตนเข้าแมกกาซีนเช่นกันนีพานท้ายไว้ในซอกแขนเงยปากกระบอกขึ้นจ้องระวังหลอนใช้วิธียิงแบบประจันบาลโดยไม่ได้เอาขึ้นประทับไหลเพราะต้องการปล่อยกระสุนออกไปอย่างรวดเร็วที่สุด สำหรับเป้าหมายเครื่อนที่ราวกับเครื่องบินไอพ่นนั้นออกมาไอผีหาแล้วก็ร่อนลงมาอีกครั้งเยือของเอ็งยุนนี่ช ย, ยันตะโกนท้าทายขึ้นไปสุดเสียงอย่างบ้าระหมพอๆกันถลันลุกขึ้นยืนกระชับไรเฟิลมัน่นอีกมือนึงกำลุปืนสำรองไว้กัดกรามแน่นขณะจิตหนึ่งที่ความเงียบสงัดย่างเข้ามาปกคลุมเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย คงได้ยินแต่เสียงตะโกนสาบแช่งท้าทายของชยันกล้องสะท้อนไปมาอยู่คนเดียวอึดใจต่อมาเขาก็วิ่งเข้าไปเก็บไฟฉายที่ยังส่องจ้าอยู่กับพื้นขึ้นมาถือไว้นาบขนานไปกระลำกล้องปืนมาเรียถอยระวังคุมเชิงเข้ามาเอาหลังชนต่างสาส์ไฟสูงขึ้นไปคนละด้านกราดอยู่ไปมาจากผิวกายที่สัมผัสเบียดชิดกันดูเหมือนจะยางได้ถึงหัวใจแต่ละฝ่าย ที่เป็นเราไม่เป็นสั่นอยู่ในขณะนี้ได้อย่างชัดเจนทำไมมันถึงเงียบโดนลูกปืนคุณเข้าไปบ้างเลยล่ะกระมังชัยันพูดเสียงสัน่นไม่รูเหมือนกันขณะที่ยิงเห็นตัวไม่ถนัดแต่อย่าเพิ่งไว้ใจมันยังไม่ไปไหนหรอกอาจเกาะหลบอยู่หลังชะง่อนหินก้อนบนนั่นแหละระวังใช้ไฟดีแล้วกันเสียงมาเรียตอบมาสั่นสะท้านพอๆกัน ขณะนั่นเองจากลำไฟทั้งสองกระบอกที่กราดค้นหาสายตาของชายันซึ่งยืนอยู่ในมุมหนึ่งก็สังเกตเห็นที่ขอบชะ ง, ง่อนหินซึ่งแยกเป็นกิ่งล้ำออกมากลางอากาศ45องศาเฉียงจากหน้าผาใหญ่มีอะไรไหวหลุบดิบอยู่ทางซีกซ้ายมือครั้งแรกเขาเข้าใจว่าเป็นหินแต่ผิดปกติไปเมื่อเห็นมันขยับขยืขย่นได้นั่นคือปลายปีกอันเป็นพืชหนังของมันด้านหนึง่ง ซึ่งเกาะบางหินแท่งนั้นไวและขยับอย่างเงียบกริบในอาการไตเดีย้ยเหมือนจะหาที่ยึดตัวให้ถนัดช ย, ยันกัดริมฝีปากแน่นประทับปืนขึ้นไหลในพริบตานั้นหลิงตามแสงไฟไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของมันที่เห็นเคลื่อนไหวลับล่ออยู่แล้วระเบิดลำกล้องขวาออกไปเสียงมันดังเหมือนฟ้าผ่าในนรกอนุภาพแห่งเสียงปานว่าหินภูเขารอบด้านจะแยกร้าวฉานออกจากกัน ตำแหน่งที่หมายตาไวปรากฏเศษหินชิ้นใหญ่ๆเท่ากระแบมือกระจายว่อนไปคนละทิศละทางพร้อมกับม่านฝุ่นขาวมัวตลบแล่หินชัดในแสงไฟส่องม่านฝุ่นทึบเป็นก้อนลอยคลุง้งปกคลุมบริเวณที่กระสุนกระทบอยู่ชั่วครู่ก็จางลกสิ่งที่เห็นลับล่อเมื่อสักครู่อันตรฐานไปซะแล้วไม่มีอะไรมากำหนดได้ว่ากระสุนนัดนั้นได้ผลเพียงไรหรือไม่ แต่อย่างน้อยที่สุดจากแรงทำลายมหาศาลนั้นก็คงสร้างความสะดุง้งสะเทือนให้แกมันได้แน่นอนชายหนุ่มรีบหักลำกล้องสลับปลอกที่ยิงออกไปแล้วบรรจุใหม่ให้ครบสองนัดแล้วยังจ้องพร้อมอยู่เช่นนั้นเบิกตากว้างพยายามค้นหานิ้วแตะรอยอยู่ที่ไกลหลังพร้อมที่จะปล่อยซ้ําออกไปในพริบตาที่มันโผลกมาให้เห็นเห็นมันหรเสียงมาเรียกระสิบพร่าพรามา ตัวหล่อนเองก็ประทับปืนคอยระวังอยู่แทบไม่หายใจเห็นคล้ายๆจะเป็นปีกของมันข้างใดข้างหนึ่งปลูกมาที่แง่หินบนชะ ง, ง่อนยิงตรงเป้าหมายหรือเปล่าต่ำลงมาประมาณสองหกนิ้วจากระดับเล็กแต่คิดว่าควรจะถูกนะมันปลุกหายเข้าไปแล้วไม่ทันจะขาดเสียงพูดคำสุดท้ายของเขานั่นเองทั้งสองก็ต้องสะดุ้งสู่ตัวพร้อมกัน เพราะเสียงแผดร้องแหลมกึกก้องทำลายความเงียบสงัดอันเต็มไปด้วยปริศนานั้นอย่างจู่โจมกระทันหันพร้อมกับเสียงเพ่นผลกระพือปีกทีรัวทะยานดิ่งตรงรีเข้ามาจากหลังชะง่อนหินลูกนั้นภาพที่เห็นถนัดที่สุดในชั่วพริบตาก็คือเงาดำมืดดึดเงาปีศาจวูบทลาเข้าใส่จุด็หแมกนัมกับจุดนไนโตร เหตุกำพนาตประสานกันขึ้นเป็นเสียงเดียวกันและพร้อมๆกับกระสุนระเบิดพ้นลำกล้องออกไปนั่นเองสิ่งหนึ่งที่กระทบเข้ากับกลางลำตัวของคนทั้งสองอย่างแรงเหมือนถูกตีด้วยผืนผ้าใบขนาดใหญ่ไปอุกกระเด็นลอยจากพื้นไปล้มกลิ้งอยู่คนละทางปืนกระไฟฉายหลุดจากมือตกไปที่ใดไม่ทราบได้และดับวูบลงบัตรนั้นด้วยความสะเทือนถ้าไม่หลอดขาดก็สวิตถูกดับ เพราะ อ, อำนาจความแรงที่ปลิวหลุดมือไปวินาทีดับจิตที่ประสาททุกส่วนมืนงงทำอะไรไม่ถูกนอกจากนอนชาดิกไปทั้งตัวนี่เองชัยยันได้ยินเสียงกรีดร้องสะทานก้องมันเป็นเสียงของมนุษย์ชัดๆมนุษย์ผู้หญิงเสียงที่เปล่งออกมาอย่างเจ็บปวดรวดราวที่สุดเสียงนั้นมันติดตามไปกับเสียงชนปะทะพ่กไม้หักวินาท แล้วหล่นตูมสนันลงในทา น, น้ําเสียงดิ้นรนน้ําแตกกระจายแล้วเคลื่อนไหวตะเกียกตะกายบุก ข, ขึ้นไปยังกอตะไคร่น้ำของฝั่งทานด้านตรงข้ามเม่เขาตะโกนสุดเสียงอย่างตโหนกขีดสุดเสียงร้องที่ได้ยินมันจะต้องเป็นเสียงของมาริอาฮอปมันอย่างไม่มีปัญหาเขาเข้าใจเช่นนั้นท่ามกลางปราสาสตอันหมุนคว้างอยู่ในขณะนี้หล่อนคงถูกเขี้ยวหรือมิฉะนั้นก็เล็บของมันเข้ายัางชักกันที่สุด แล้วเขาก็ได้ยินเสียงมันตกลงกลางทานน้ําด้วยมันอาจคาบมาเรียติดปากไปทั้งทั้งที่ตัวมันเองก็ถูกลูกปืนที่สาดสวนขึ้นไปอย่างจังเสียงดิ้นรนของเจ้าสัตว์ครึ่งนกครึ่งหนูนั้นยังดังอยู่ฟากตรงข้ามลักษณะของมันกําลังตะ ก, กายกระเสือกกระสนเม่ยม่อยู่ไหนชัยยันแผดเสียงกึกก้องออกไปสติแทบไม่อยู่กับตัวในขณะนี้ เขาคลานไปปะอยู่กับพื้นอันมืดมิดคลาหาทางไม่ถูกเขาได้ยินเสียงร้องครวญครางตอบมาจากความมืดเบื่องนะ่ะครั้งนี้มันแผ่วเบาหุยละหอดเสียงร้องโอ้แล้วก็กลัวไปกับอาการสะอึกสะอื้นร่ำไห้ความโนรกตกใจทำให้อดีตนายทหารหนุ่มแทบจะเป็นบ้าไปในขณะนี้เขาตะโกนเรียกชื่อลอนที ท, ทีเอ็ดอิงไปทั้งความเงียบนั้น ทยาททรงกายขึ้นหมุนควางพยายามจะสดับฟังที่มาของเสียงตัวเองก็มือเปล่าอาวุธและไฟฉายหลุดหายจากมือไปทางใดแล้วก็ไม่ทราบรอบด้านก็มืดมิดราวกะตกอยู่ในหิวนรกชา ย, ยัานออกวิ่งทลาเปีปัชนปะทะก้อนหินหมุนควางหาทางไม่ถูกปากก็ตะโกนเรียกเพื่อนสาวอยู่เช่นนั้นเสียงคร่ำครวญพิราบล่ำนั้นแผวจางลงเป็นลาดับ ทันทีนั้นก็กลายเป็นเสียงหัวเราะเยือกเย็นกังวานหมาฝังสยองไปทุกขมขนเสียงหัวเราะของผู้หญิงมันหวานวิเวกไพเราะราวกับระคังเงินในขณะเดียวกันก็เย็นแสแยงบาดลึกเข้าไปถึงกลางหัวใจยึดประสาททุกส่วนให้ขึงนิ่งอยู่กับที่แม่ไปยังไงบ้างอยู่ที่ไหน นั่นคุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอช้ยันตะเบงเสียงหลงกายสั่นเทิมทุกครั้งที่เขาตะโกนโวยวายออกไปเสียงหัวเราะจะสะท้อนก้องตอบมาทุกครั้งสลับไปกับเสียงร่ำให้เสือกะอืะอนร่างกายของเขาในขณะ น, นี้รู้สึกว่าจะขยายใหญ่โตขึ้นถึงสามเท่าด้วยขุมขนที่พองชันขึ้นบางสิ่งบางอย่างทำให้สะดุง้งใจบอกไม่ถูกเบิกตาโพลงอยู่ในความมืด พยายามคุมสติไว้ไม่กล้าที่จะทำเสียงดังออกมาอย่างครั้งแรกจ้องมองไปทางตำแหน่งที่มาของเสียงแล้วกระซิบเรียกนามของหญิงสาวแผ่วเบาที่สุดเงียบสงัดลงอีกครั้งไม่มีสัมสเนียงใดๆแว่วมาให้ได้ยินอีกเลยนอกจากเสียงหัวใจเต้นรัวของตนเอง ชัยันสะกดลมหายใจค่อยๆสุดกายลงนั่งคุกเขา่าพยายามเรียกร้องประสาททุกส่วนที่กำลังจะเป็นอม า, าพาศในขณะ น, นี้ให้กลับคืนตื่นพร้อมขึ้นมาแล้วควานมืองมหาไปรอบๆกายเกือบสะดุ้เมื่อคลำไปสัมผัสกับร่างกายของใครคนหนึ่งนอนไห่เหยียดยาวอยู่ทางด้านซ้ายภายหลังจากลูกคลำเขาก็พบกับความประหลาดใจเหลือที่จะกลับ มันเป็นร่างของใครไปไม่ได้นอกจากมาเรียฮอฟมันรอนนอนนิ่งสนิทร่างกายอุ่นมือคลำไปที่หน้าอกก็ยังสัมผัสได้ว่ามันสะท้อนขึ้นลงเป็นระลอกของการหายใจรอนอยู่ใกล้ๆเขานี่เองและยังไม่ตายพยายามเขย่าตัวกระซิบเรียกร้อนรนใจต่อมานั่นเองแมมสาวก็กระดิกกายชันศีรษะขึ้นใช่ยัน หลอนกระสิบตอบเรียกเขาตื่นตื่นต่างคนต่างจับแขนกันแน่แม่คุณไม่ได้เป็นอะไรหรอกหรอฉันหมดความรู้สึกไปชั่วขณะหัวไปฟาดกระหินไอ้ค้างคาวนั่นไปไหนแล้วรู้สึกว่ามันจะถูกลูกปืนของเรานะมาเรียกระซิบกระซาบชายันยิ่งงงจัดก็มือจุกนี่เองผมได้ยินคุณหวีดรอ้องครวญครางแล้วก็หัวเราะ แม่สาวลืมตาโผล่อะไรฉันยังไม่ได้ร้องอะไรออกมาสักคำเดียวนี่เพิ่งจะรู้สึกตัวขึ้นมาเดียวนี้เองชายเย็นเย็นเข้าไปถึงไขสันหลังเอ๊ะก็แล้วเสียงผู้หญิงที่ร้องเมกกื่อตะเกีย่เสียงผู้หญิงที่ไหนกันฉันไม่ยินอะไรเลยสักนิดครั้งสุดท้ายเท่าที่เห็นและได้ยินมันพุ่งเข้ามาเอาปีกตีเราขณะที่เรายิงสวนออกไปแล้วฉันก็กระเด็นเอาหัวฟาดกับแง่หิน หมดความรู้สึกไปชั่วขณะว่าแต่ไอ้ข้างนั่นน่ะไปไหนแล้วมาเรียร้องออกมาอย่างสำลักระหว่างที่ชา ย, ยันตะลึงหล่อนควานหาไปรอบๆตัวและพบกับไฟฉายท่อนหนึ่งฉวยขึ้นมาขยับจะกดสวิตแต่ชา ย, ยันคว้าข้อมือไว้ในทันทีนั้นอย่าเพเขากระซิบเร็วปือเบอิกตาโพโลพยายามจ้องฝาความมืดไปยั ง, งด้านลำารเบิด เพื่อนคุณอยู่ไหนเมย์แทนคำตอบมารีเอามือควานแล้วยัดเยียดไรเฟิลกระบอกหนึ่งมาให้ในมือเขาสัมผัสนิดเดียวชายันก็รู้ว่ามันคือจุดหกศูนศูนไนโตรลำกล้องแฝดของเขานั่นเองมารีงงมไปพบเขาแสดงว่ามันคงจะตกอยู่กับพื้นใกล้ๆตัวหล่อดจำได้ว่ากระสุนลำกล้องซ้ายอีกนัดหนึ่งยังเหลืออยู่ชยันกระชับปืนแน่นหนิวสอดเข้าครงไกลแต่อยู่ที่ไกลหลัง ยกปากกระบอกจ้องไปทางด้านนั้นมาเรียมงอบเบียดกายสันเทาอยู่เคียงข้างเขามือกำไฟฉายพร้อมมันยังอยู่เหรอหลอนถามเดี๋ยอย่าเพิ่งพูดไรทั้งสิ้นเขาเอาศอกสะกิดพร้อมกับห้ามอย่างร้อนรนมาเรียมสงบนิ่งตามคำสั่งในทันทีนั้นทั้งคู่แทบจะไม่หายใจ ความเงียบปกคลุมบริเวณอันมืดสนิทเต็มไปด้วยปริศนาเร้นลับนั้นอีกกว่าระหนึ่งมันเงียบเงียบเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกจะหยุดนิ่งอยู่กับที่เช่นั้นไม่มีเสียงการเคลื่อนไหวหรือเสียงร้องครวญกลางประหลาดที่ชา ย, ยันได้ยินอยู่เมื่อครู่นี้ปรากฏขึ้นให้ได้ยินอีกในยามที่มาเรียกลับคืนสติและร่วมรับรู้เหตุการณ์กักบเขาด้วยเช่นนี้ดูราวกับว่าสิ่งที่ได้ยินมันเกิดจากอุปทานของตนเอง ในชัยันกล้าสาบานว่าเขาไม่ได้หูฝาดไปเลยจนนิดเดียวและบัดนี้เขาก็เพิ่งจะรู้แน่ว่าเสียงที่ลอยมานั้นไม่ใช่เสียงของมารีอย่างที่เข้าใจแต่แรกมันเป็นเสียงอะไรเหตุใดเจ้าข้างคาวนารกตัวนั้นจึงทำเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะราวกับมนุษย์เช่นนั้นมนุษย์ผู้หญิงคนของเขาลุกเป็นระลอก ศีรษะรู้สึกพองโตเท่ากระบุงไม่ว่าจะพยายามควบคุมสติเช่นไรก็ตามมารีเพิ่อนจะฟื้นคืนสติขึ้นมาและหล่อนไม่มีโอกาสที่จะได้ยินอย่างที่เขาได้ยินเมื่อครู่นี้ที่แน่นอนอย่างไม่มีอะไรจะต้องเคลือบแคลงก็คือมันถูกปืนแน่แล้วขณะที่พุ่งสวนเข้าใส่เขากับมารีและหล่นร่วงลงไปในทาน้ําตะกายคลานขึ้นไปยังอีกฝั่งหนึ่งบัดนี้ รอคอยเสียงของการเคลื่อนไหวหรือเสียงใดๆก็ตามที่จะปรากฏขึ้นจากมันทว่าก็มีแต่ความเงียบเชียบอึดใจใหญ่ๆต่อมาชายันยกพานท้ายปืนที่นีบอยู่ในซอกแขนขึ้นประทับไหลฉายไฟเมเขาออกคำสั่งพร้อมที่จะลั่นกระสุนนัดสุดท้ายออกไปในทันทีที่อะไรก็ตามปรากฏขึ้นในลาแสงของไฟฉาย มีเสียงสวิตไฟฉายลั่นในมือของมาเรียแล้วชายันก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินหญิงสาวระล่ำละลักออกมาว่าลอดขาดวินาทีวิกฤตนี้ทำให้ตัดสินใจยังไงไม่ถูกไปชั่วขณะชายันเต้นเร่าไปหมดทุกเส้นประสาทไฟเจ้ากรรมเกิดทรยศขึ้นมาอีกแล้วในยามฉุกเฉินต้องการพึ่งพามันอย่างที่สุดนี้ลอดคงขาดไปเพราะการตกกระเด็นกับพื้นอย่างรุนแรง หรือมิฉะนั้นตัวไฟฉายก็ต้องมีอะไรชํารุดทําให้มันไม่สามารถจะเปล่งแสงออกไปได้ชายันสะบุดออกมาในลําคอกระสอบกระสายไปหมดแน่ใจเหรอว่ามันยังอยู่ที่นั่นผมได้ยินมันพลัดลงไปในลําธารน้ำํำและ้วตะกายขึ้นฝั่งตรงข้ามไปเงียบอยู่ที่นั่นมันจะต้องอยู่ฝั่งโน้นแน่นอนจะทํายังไงดีเรามองไม่เห็นอะไรเลยกระสุนก็มีติดปืนอยู่นัดเดียวเท่านั้นถ้านับสุดท้ายไม่อยู่ เราเสร็จเอางี้คอยระวังไว้ฉันจะงมหาไฟฉายอีกระบบอย่า <Yeah. S 1> อันตรายที่สุดเลยเมมันมองเห็นเราแต่เรามองไม่เห็นมันเลยน้กจะร้อยมันมาถึงคอหอยยังไงก็ยังดีกว่าที่จะยื่นคอให้มันนะแต่ผมคิดว่าเราเป็นต่อมาแล้วลมันถูกปืนเจ็บแน่อาจบินไม่ไหวขอได้เป้าหมายแน่แนอีกนัดเดียวเท่านั้น มาเรียมหมุนตัวไปรอบๆในความมืดมันเป็นวินาทีที่ตัดสินใจยังไงไม่ถูกทั้งสิ้นความเงียบเต็มด้วยปัญหาในเจ้าความเงียบอันทายอะไรไม่ถูกชนิดนี้แหละมักจะถูกทำลายขึ้นด้วยเหตุรารจูถึงตัวอย่างฉับพลันชนิดรับมือไม่ทันเสมอมันอาจหมดฤทธิ์นอนกองอยู่กับที่พบวาระสุดท้ายไปแล้วก็ได้หรือมีชันัน ก็อาจรอคอยหาจังหวะอันเหมาะเจาะที่สุดที่จะพุ่งเข้าถึงตัวศัตรูแบบสัต ร, รายลำบากทั้งหลายไม่มีสิ่งใดจะบอกได้กระสุนเพียงนัดเดียวและนัดสุดท้ายเท่าที่มีติดปืนอยู่ในขณะ น, นี้สร้างความลำบากใจให้แก่ฝ่ายมนุษย์เหลือที่จะกล่าวเพราะชีวิตย่อมจะฝากไว้กับกระสุนนัดเดียวนี้เท่านั้นความจริงชัยยันถือกมสำรองไว้ในอุ้งมือหลายนัดแต่มันก็หลุดกระเด็นหายไปหมด ขณะที่ถูกปืนตีกระถูกปีกตีกระทบล้มกลิ้งไปสถานการณ์มันวิกฤตคาบเส้นเป็นเส้นตายอาจริงๆถ้าเขามีลูกปืนอีกเพียงสองสานัดเท่านั้นเขาย่อมจะอบอุ่นใจและมีหนทางได้เปรียบมันมากกว่านี้โดวยวิธียิงสุ่มแล้วรอฟังผลไม่มีทางเลือกอย่างอื่นดีไปกว่าชุมคุมเชิงมั่นคอยฟังเสียงอยู่เช่นนั้นเหมือนจะรู้ทันเชิงความคิด เจ้าสัตว์อันนาขนหัวลุกตนนั้นไม่ได้กระโตกกระตากให้เสียงใดๆเพื่อฝ่ายมนุษย์จะได้สังเกตค้นหาที่หมายได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสียงของการเคลื่อนไหวหรือเสียงร้องครามันเงียบไปเงียบเราก็ว่าหมดสิ้นลมปรานไปแล้วฉะนั้นชายันส่งเสียงตะเพิดลั่นขึ้นในความเงียบนั้นเสียงของเขาสะท้อนกล้องไปทั้งทาน้ำและหุบเขา โดยไม่มีเสียงใดตอบมาให้จับทิศทางได้ในทหารหนุ่มเปล่งเสียงเอ็ดอยู่เช่นนั้นอีกพักใหญ่แต่ก็ปราศจากผลต่อมาเขาเอามือควานหาก้อนหินเกคืองขนาดกำปั้นคว่างปาเดาสุ่มข้ามทา น, น้ำไปตกกระทบโคดหินฝั่งตรงข้ามโดยแจกจ่ายไปยังตำแหน่งต่างๆที่คิดว่าร่างของมันอาจหมอบซุ่มอยู่มาเรียช่วยระดมขว้างปาทาเสียงไล่ด้วยอีกแรงหนึง่ง ผลก็คือความเงียบงนันอย่างมีปริศนาอยู่เช่นคือทั้งสองจ้องตากันในความมืดอีกครั้งมันอาจตายแล้วกระมังในที่สุดชา ย, ยันกระซิบแผ่วเบาทำใด น, นั้นมาเรียก็บีบแขนเขาแท่นฟังนั้นชา ย, ยันชา ย, ยันสะกดกลั้นใจพยายามเงียหูแล้วหัวใจก็เริ่มเต้นแรงขึ้นอีกครั้ง เขาได้ยินเสียงของการเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาดังมาจากพื้นหินที่ใดที่หนึง่งบริเวณฝั่งตรงข้ามเป็นเสียงของสิ่งนิ่มนิ่มหนักหนั ก, นกที่กำลังกระติบอย่างแช่มช้าไปกับโขดหินและที่มันชัดเจนที่สุดก็คือเสียงก้อนหินเล็กๆบางแง่ทาน้ำหนักไม่ได้หลุดร่วงกริง่งลงไปกระทบพื้นและหินใหญ่บางก้อนที่ลั่นครึก ขณะที่ลืมตาโพรงจ้องเหมือนจะให้แก้วตาของตนเองทะลุ ค, ความมืดเข้าไปได้นั้นเพื่อนสาวผู้ร่วมชะตากรรมก็สะกิดแขนเขาชี้มือเป็นความหมายบอกทิศทางแทนคำพูดไปทางด้านซ้ายภะษาสัมผัสในด้านการฟังเสียงของมาเรียฮอฟมันย่อมเที่ยงตรงแม่นยำเสมอพอๆกับพรานอาชีพคนเขาจำเป็นต้องมอบความไว้วางใจให้กหล่อนในด้านนี้แม้หูตนเองจะฟังไปอีกด้าน ชั ย, ยันตัดสินใจเด็ดขาดดนช่วงพริบตานั้นตามนิสัยของทหารเขาเบนปากกระบอกปืนไปยังทิศทางที่มาเรียชีบอกกะคำนวณโดยประสาทสัมผัสทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดไอ้ค้างคาวนระกตัวนั้นก็ไม่ใช่สัตว์เล็กไม่ส่วนใดส่วนหนึ่งของมันควรจะต้องตกอยู่ในทางปืนของเขาบ้านแน่นอนแล้วนิ้วที่เกรงอยู่กับไกลหลังของดับเบิลไรเฟิลก็กระดิก เสียงกระสุนระบบกึกก้องเหมือนฟ้าถลม่มมันดังอื้อืองกบสับสะพสำเนียงใดๆอยู่อึดใจใหญ่ด้วยคลื่นเสียงที่สะเทือนซ่าไปทุกอนุของบรรยากาศที่แวดล้อมอยู่ครั้นแล้วก็ค่อยๆจางหายไปทุกสิ่งทุกอย่างถูกกลืนอยู่ในความเงียบอันน่าพิษศวงตามเดิมไม่มีซ้ำเสียงใดๆแว่วมาให้ได้ยินอีกเลยปัญหาก็เกิดขึ้นอย่างสุดที่จะเดาได้อีกครั้ง ทำไมมันเงียบไปอย่างนั้นเราน่าจะได้ยินเสียงจากมันบ้างอย่างน้อยก็เสียงกระดิกตัวชัยันพึมพำอย่างพ้นปัญญามันอาจถูกเข้าที่สำคัญตายสนิทไปแล้วก็ได้มาเรีย ว, ว่าค่อยๆทรงกายขึ้นยืนชัยันยืนตามอีกมือนึงจับแขนเพื่อนสาวไว้มัน่นแบบนี้สายตาของคนทั้งสองเริ่มจักคุ้นกับความมืดและอาศัยจากแสงดาวรุ่ง ที่เปล่งรัศมีสุกปลังอยู่บนซอกสไลดส่องแสงรังรางลงมาทำให้มองเห็นภูมิประเทศ ร, รอบตัวในลักษณะเงาตะคุ่มทั่วไปเบื้องหน้าห่างออกไปทางด้านซ้ายมือเพียงไม่เกินสิบเก้าเศษของถ่านจะ ก, กองไฟยังเหลือเชื้อให้เห็นแดงเรืองอยู่เล็กน้อยเมื่อลมใต้รุ่งพัดโ ช, ชยมามันก็ส่องแสงโชนขึ้นท่ามกลางกองขี้เถ่าเราตกล้า ใชยันเสียงมาเรียกรซิบต่อมาขณะที่ชำเลียงไปยังกองถ่านไฟที่พอจะเหลือเชื้ออยู่ริบรีจะดับมิดับแหลนั้นถ้าขืนมัวคอยระวังคุมเชิงโดยที่เราก็มองไม่เห็นอะไรแล้วก็ไม่มีอาวุธที่จะต่อสู้กับมันได้เช่นนี้ไม่ช่วยอะไรเราขึ้นมาได้เลยนะขณะ น, นี้ไม่ว่าเราจะหลบอยู่กับที่หรืออยู่ที่ไหนผลมันก็อย่างเดียวกัน จะเอาอยัางไงกันล่ะนี่ฉันจะก่อไฟให้ติกเรลวขึ้นไฟมันจะช่วยเราให้ได้มากที่สุดอย่าง น, อน้อยมันจะส่องให้เราเห็นอะไรต่ออะไรครุณ ค, ควรจะได้ลูกปืนเพิ่มเติมและฉันก็ต้องการไราเฟิลของฉันซึ่งขณะ น, นี้ยังมองไม่เห็นว่ามันหล่นอยู่ที่ไหนตกลบเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนี่ชายันพันยักษ์หน้าบีบแขนหล่อนแน่ ทั้งสองเดินย่องมาที่กองไฟซึ่งกำลังจะมอดช่วยกันเป่าขี้เท้าที่ปกคลุมอยู่ค้นหาเศษถ่านพอจะเหลือติดเชื้อเพียงเล็กน้อยเขี่ยเข้าไปสุมรวมกันและเอากิ่งไม้แห้งสะสุมเข้าไปเป่าอยู่ครู่ใหญ่ไฟจึงลุกเป็นเปลวขึ้นระหว่างที่ชา ย, ยันเร่งเอาท่อนไม้แห้งและเศษฟืนเก่าที่มอดไปแล้ววางตายกันเข้าเพื่อขยายกองไฟ มาเรียผู้กว่าตาสำรวจไปรอบๆก็มองไปเห็นกองเสื้อผ้าและย่ามหลังของหลอนที่ตกอยู่ไม่ห่างออกไปนักหลอนตรงเข้าไปโดยเร็วออีกใจต่อมาหลอนก็ได้เปลวจากเครื่องจุดบุรีซิโป้แทนใต้สองค้นหาตามพื้นในละแวกใกล้เคียงต่อไปคู่เดียวก็โยนย่ามหลังของชั ย, ยันมาให้ในายทหารหนุ่มใจชื้นขึ้นในทันทีนั้นรีบลุงกระสุนกระสุนไรเฟิลออกจากย่ามบรรจุลงในปืนอย่างรวดเร็ว พอปิดลำกล้องกลับเข้าที่เขาก็รู้สึกว่าพลังอำนาจที่ศูนย์สิ้นไปได้กลับคืนมาแล้วส่วนมาเรียนในขณะ น, นี้ก็มีโคลซิงเกิลแอคชั่นขนาดจุดสี่ห้าประจำตัวซึ่งติดอยู่กับยามหลังของหลอนถือกระชับอยู่ในมือทำให้ยิ่งอุ่นใจเพิ่มขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างชุลมุนแข่งกับเวลาของมนุษย์ทั้งสองนั้นไม่มีวี่แววกระโตกกระตากใดๆ จากเจ้าข้างขาวผีตัวนั้นอีกเลยแล้วไม่นานต่อมานั่นเองมาเรียก็คลาไปพบกับฮันเตอร์แปดท่อนอีกกระบอกหนึง่งที่ตกอยู่ในซอกขีพพอเปิดสวิตลำแสงของมันก็พวยพุ่งสว่างจ้าใช้การได้ดีโดยไม่มีอะไรบกพร่องเหมือนกระบอกแรกแม่มสาวแทบจะร้องลั่นออกมาด้วยความยินดีรอนได้ไรเฟิลจุด H H Magnum คืนมา ในเวลาเพียงชั่วไม่ถึงนาทีภายหลังจากได้ไฟฉายตบลูกเลื่อนกระชากปลอกเก่าออกทิ้งแล้วยัดนัดใหม่ขึ้นประจำรางเพลกเมื่อนั้นนักเผิญภัยหนุ่มสาวต่างเพศต่างผิวก็พร้อมอีกครั้งที่จะปราจนากับทุกสิ่งทุกอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งทั้งที่ยังอยู่ในสภาพของฉีเปลือยแต่มีปืนและไฟฉายพร้อมอยู่ในมือ ทั้งสองชวนกันตรงไปยังริมฝั่งทานน้ำทันทีมาเรียทำรรหน้าที่ส่องไฟฉายโดยปรับลำแสงให้ขนานไปกับลำกล้องของไรเฟิลเพื่อให้กระสุนไปในแนวเดียวกันส่วนชา ย, ยันหนีบ่านท้ายจุด600ไนโตรไว้ในระดับตะโพกตามหลังมาอย่างกระชั้นชิดดูนั่นลนร้องออกมาเสียงลั่นด้วยความตื่นเต้นขณะที่จับไฟลงไปกลางลาทานน้าซึ่งแลเห็นแดงคล้า เรากับใครเอาสีทังถังมาเทไว้ในน้ำาชยันแยกเขี้ยวยิ้มออกมาได้ตาเป็นประกายวาวโรดมันถูกปืนของเราแน่ตอนที่บินสวนก็ปต้องโดนถนัดด้วยไม่งั้นเลือดไม่ออกมากอย่างนี้หรอกผมแน่ใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะเพราะได้ยินเสียงมันทลาตกลงไปในน้ำแล้วตะ ก, กายขึ้นฝั่งโนนเขาคำรามออกมามาเรียส่องดูแนวของเลือดที่ละลายปะปนไปกับสายน้า แล้วกระดกลําไฟส่องตามตรวจขึ้นไปยังพงไม้เล็กๆฝั่งตรงข้ามสังเกตเห็นได้ชัดว่าแหวกลู่หักยับเยินเป็นทางไปเหมือนมีสัตว์ใหญ่บุกตะลุยไปอย่างลนลานเจ็บปวดลอนกลาดค้นหาต่อไปอยังตำแหน่งที่ชา ย, ยันลั่นกระสุนออกไปเป็นนัดสุดท้ายเมื่อ3ามสนาทีที่แล้วมาครู่เดียวก็จับไฟนิ่งไปที่ก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่ง งอกสูงเป็นโคดอยู่เหนือพุ่มพงไม้ลมลุกตีนผาห่างออกไปประมาณ20สบเมตรจากริมฝั่งตรงข้ามแผลของหินก้อนนั้นมองเห็นได้ถนัดมากเพราะอำนาจปะทะของหัวกระสุนขนาดเ0้าร้อยเกรนมันแตกจุยเป็นวงกลมสีขาวขนาดลูกมะพร้าวกระเทาะบินเวอร์ไปผิจากสีเทาดำของเนื้อหินส่วนอื่นๆชายยันถึงกับอ์ทานลั่นออกมา เมื่อมองเห็นกระตานี่นัดสุดท้ายของคุณยิงถูกหินก็ถนัดใจเชียวผมก็ยิงตามทางที่คุณชี้บอกก็แหละฉันได้ยินเสียงบันดังมาจากที่นั่นจริงๆนะเอเข้าไปดูกันเถอะมาเรียพูดโดยเร็วแล้วยําลงจากฝั่งลุยน้ำข้ามไปยังฟากตรงข้ามอย่างไม่สะทกสะท้านชัยยันท่องตามมาติดๆสิ่งที่น่าเอะใจชวนชะงที่สุดก็คือ ก้อนหินลูกที่ชยันยิงไว้อยู่คนละด้านกับร่องรอยของเจ้าค้างคาวยักษ์ซึ่งมองเห็นว่ากระเสือกระสนขึ้นจากฝั่งแม่สาวผู้สืบเชื้อสายมาจากพรานใหญ่แห่งซาฟารีนิ่วหน้าอย่างประหลาดใจลองกราดไฟตามรอยที่แหวกเป็นทางไปข้างหน้านั้นแล้วยายไปยังก้อนหินลูกที่ร้อยกระสุนของชยันกระทบไว้พยายามจะตรวจสอบเปรียบเทียบทิศทางเหมือนจะไม่แน่ใจในบางอย่าง ชายันเองก็แปลกใจและกำลังมีความคิดเช่นเดียวกันก็เห็นอยู่ว่ามันคลานหนีไปทางกอไม้ด้านนี้แต่ละตอนที่มันมีเสียงเคลื่อนไหวทำไมคุณถึงชี้ให้ผมยิงไปที่หินโนน ล, ละ่ะฉันสาบานนะสาบานว่าฉันชี้ที่มาของเสียงอย่างไม่ผิดยกเว้นแต่ว่าคุณจะยิงผิดที่หมายอีกแต่ผมก็สาบานได้นะว่า ผมยิงตามชี้บอกของคุณและกระสุนลงตรงที่อย่างเที่ยงที่สุดยกเว้นแต่คุณจะชี้ผิดเองชยันยืนยันหนักแน่นมันเป็นการลำบากซะละที่จะคำนวณได้ในขณะที่ต่างข้ามฝากมายืนอยู่ยังอีกฝั่งหนึ่งเช่นนั้นความมืดมิดของราตรีประกอบกับภูมิประเทศมันอำพรางลวงตาไปหมดเพราะย้ายตำแหน่งจากที่เดิมก็ทําให้สับสน คณีทิศทางไม่ถูกอลองตามรอยที่เห็นอยู่นี่ไปก่อนแล้วกันทางไหนเดี๋ยวค่อยย้อนไปดูตรงก้อนหินที่คุณยิงไว้มาเรียบอกแล้วออกสาวรอยที่เห็นแวกกอตะไคร่น้ำและพันไม้ล้มลุกเป็นช่องไปราวกับทางเดินของวัวขนทางนั้นปรับพาเข้าไปในพันไม้ล้มลุกและพุ่งพงที่ปี รอยเลือดปนไปกับ น, น้ำไปจุกับพื้นและกิ่งไม้ใหญ่มองเห็นได้อย่างถนับลักษณะของมันคลานแทกไถไปอย่างโลนลานมาเรียส่องไฟตามรอยนั้นไปในระยะห่างไกลเบื้องหน้าอย่างไม่ไว้ใจแล้วจึงลดไฟลงมาสำรวจรอยใกล้ๆตรงหน้าเพื่อหาข้าวเงื่อนตามสัญชาติตยานพรานผู้ชำนานของหล่อนเพราะเกรงว่าถ้ามัวแต่ส่องไฟตรวจรอยใกล้ๆตัว โดยไม่สำรวจให้รอบคอบในระยะที่ห่างออกใบซะก่อนหากมันหลบซุ่มอยู่ในพงรกส่วนใดส่วนหนึ่งอาจฉวยโอกาสผูนก็ทำร้ายได้อย่างกระทันหันชยันเองก็ไม่ประมาทประทับปืนจ้องพร้อมนิ้วแตะรออยู่ที่ไกลสามารถจะลั่นกระสุนออกไปได้ในทุกพริบตาเขาสืบท้าวเยื้องหลังมาเรียห่างเพียงเก้าเดียว อาศัยรัศมีไฟส่องจากฮันเตอร์ในมือของเพื่อนสาวกว่าสายตาอย่างทีท้วนไปรอบๆแต่รัศมีไฟฉายจะกระจายไปถึงการส่องไฟค้นหามาเรียละเอียดและมีความชำนาญยิ่งกว่าเขาทั้งสองใจเต้นระทึกไม่เป็นสัมอจากร่องรอยที่เห็นโดยไม่จำเป็นจะต้องกล่าวอะไรแก่กันเลยนั้นต่ก็รู้สึกได้ตรงกันว่า ไอ้ข้างเขายักษ์ถูกปืนเข้าอย่างถนัดใจทีเดียวนละน่าจะทายได้ว่ามันพิการไปเสแล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะมันน่าจะพิการจนไม่สามารถจะโผนขึ้นบินเป็นเจ้าอากาศต่อไปอีกได้นอกจากจะใช้วิธีคลานซอกซอนเพื่อซุกหลบหนีบางทีบางทีางทอาจไม่กี่อึใจข้างหน้านี่แหละจากการติดตามไรอยไปอย่างกระชั้นชิด โดยไม่ทอดเวลาให้ห่างเนิด น, นานออกไปนักอาจเห็นตัวมันคลานหรือซุกหลบอยู่กับพงรกไม่ก็ซอกหินที่ใดที่หนึง่งซึ่งไม่ห่างออกไปนักไม่เกินยี่สิบเมตรจากตำแหน่งแรกที่พบมันรอยที่พบรอยมันคลานขึ้นจากทา น, น้ำและบุกไปในป่ารกนั้นหนทางไปสังเกตได้จากรอยเลือด ก็วกอ้อมหลังเนินเตี้ยเตี้ยลูกหนึ่งบายหน้าไปทางก้อนหินใหญ่ลูกที่มาเรียชี้ให้เฉชยัยยันยิงสุ่มออกไปประสาทหูของหล่อนแม่นยาที่สุดไม่ได้คลาดเคลื่อนไปเลยเท่าๆกับที่ชัยยันก็ยิงสุ่มตามสัญญาชี้บอกได้ตรงจุดหมายเหมือนกันเพราะภายหลังจากสะกดตามรอยนั้นไปทุกระยะก็พบว่าเจ้าสัตว์ครึ่งนกครึ่งหนู ที่สวมวิญญาณของผีร้ายได้คลานอ้อมมาหมบได้คลานอ้อมมาหมอบหลบอยู่หลังหินใหญ่ก้อนนั้นรอยที่มันมาหยุดหมอบอยู่เหมือนเต่าหรือมิฉะนั้นก็ตะภาพน้ำขนาดยักษ์เลือดสดๆสีดำคล้ำกองโตมากมายกว่าทุกแห่งอยู่หลังหินนั้น และถ้าไม่ใช่เพราะโขดหินเป็นที่กำบังแน่นอนที่สุดในข้อที่ว่ากระสุนนัดสุดท้ายของชั ย, ยันจะต้องพุ่งมากระทบตัวมันไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งเพราะแนวกระสุนที่กระทบก้อนหินแลกเป็นฝุ่นร่วงมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างถึงเกือบพุทธนั้นอยู่ในระดับตรงกับบริเวณที่มันหมอบอยู่พอดีทั้งสองมองหน้ากันโดยไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิ้นมาเรียกวาา ตาตรวจบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วแล้วฉายหาวิแววการเคลื่อนไหวคืบหน้าต่อไปของมันพื้นบริเวณนั้นพ้นจากพงโรคแล้วคงมีแต่หินกรวดและกอไม้ประเภทฟเฟิร์นกับหญ้าบางชนิดเท่านั้นรอยเลือดแตกไ ถ, ถต่อไปอยังด้านขวาของก้อนหินใหญ่นั้นซึ่งเต็มไปได้วยป่าหินสูงๆต่างๆการได้ร่องรอยมาอย่างสดุสดๆร้อนๆกระชัน้นชิดติดพัน ทำใหทั้งสองไม่คํานึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นแต่สภาพอันเปือยเปล่าของร่างกายซึ่งยังไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยคงมีแต่เปืนกับไฟฉายเท่านั้นลองศาสตร์ไฟสํารวจดูพื้นประเทศรอบด้านอย่างรวดเร็วอีกครั้งและจี้จับเฉพาะรอยเลือดอันเป็นทางไปสาวรออย่างระมัดระวังกระโดดไปตามโขดหินที่งอกอยู่ระเกะระกะนั้นช ย, ยันผู้ไต่ตามมายอย่างไม่ลดละ พวกกระซิบเตือนมาเบาๆระวังเราอาจเห็นมันอย่างประชิด ต, ตัวกับทันหันที่สุดนะเมย์ไม่ต้องห่วงดอกชยันเรียมปืนของคุณไว้ดีก็แล้วกันอย่ามองเฉพาะโฟกัสของไฟฉายละ่ะพยายามมองตามปลายรัศมีของไฟด้วยถ้าเห็นยิงทันทีมันก็บินไม่ได้อีกแล้วละ่ะหรือมิฉะนั้นก็ปีกหกักถึงได้แตกไปตามพื้นอย่างนี้ มาเรียบอกมาเร็วปรือชั่วครู่ต่อมาต่างก็พบหนทางแคบๆในระหว่างสองฝากป่าหิน ราวกับจะเป็นทางด่านหรือมิฉะนั้นก็ทางน้ำไหลพื้นเป็นกรวดสลับไปกับทรายกว้างประมาณสามเมตรเลี้ยวลัดเป็นช่องทางเดินนำเข้าไปสู่หน้าผาใหญ่รอยของเจ้าสัตว์สูบเลือดไปจะโคถินด้านหนึ่งลงไปสู่ทางเรียบลักษณะแปลกประหลาดนี้เสียงมาเรียอุทานออกมาคำหนึ่งขณะที่ส่องไฟลงไปกับพื้นริมแนวก้อนหินที่ขนาบทางเดินนั้น ชั ย, ยันกระโดดตามติดมาเบื้องหลังก็เห็นในพริบตาต่อมาร้อยตีนคนเขาร้องออกมาอย่างลืมตัวแมมสาวละไฟจากที่นั่นโดยเร็วกวาดส่องไปรอบทิศเหมือนจะค้นหาอะไรให้แน่ใจที่สุดนอกจากพุ่มไม้เล็กและก็อนินแล้วมันมีแต่ความเงียบสงับเป็นดึกชนีปราศจากสิ่งใดกระโตกกระตากทั้งสิ้น แล้วหลอนก็ส่องไฟไปยังพื้นเบื้องล่างอีกครั้งค่อยๆไตเนินหินลงไปอย่างระมัดระวังตัวขีดสุดชยันไม่ทันใจจนพรวดเดียวลงไปถึงพื้นทรายก่อนหน้าหลอนสุดตัวลงพิจารณารอยที่ปรากฏอยู่บนพื้นทรายตรงนั้นด้วยในตาแทจบจะปะทุออกมานอกเบา้าบางสิ่งบางอย่างเข้ามายึดลิ้นของบุคคลทั้งสองไวทาให้ไม่สามารถจะออกเสียง รส่งภาษาใดๆแก่กันได้ชั่วขณะชยยันคว้าไฟฉายจากมือของเพื่อนสาวไปส่องเองโดยค่อยๆกวาดไล่ไปกับพื้นตามแนวทางเดินนั้นแล้วโฟกัสไฟก็ไปจับนิ่งอยู่ที่ปากถ้ำอันมืดมิดขนาดย่อมทะลุอุโมงค์เข้าไปใต้ตีนผาในระหว่างก้อนหินใหญ่น้อยในระหว่างก้อนหินใหญ่น้อย ที่งอกเรียงรายระเกระระกะรอยเท้าทั้งสองข้างนั้นปรากฏชัดเจนไม่เฉพาะที่มาเรียนส่องพบแต่แรกเท่านั้นหากแต่เรียงรายอยู่ริมทางเป็นระยะช่วงจังหวะการก้าวเดินลักษณะของมันเดินถอยหลังหายเข้าไปในโพรงถ้านั้นส่วนกลางทางอันกว้างประมาณสามวาสิษธ์ซึ่งเป็นพื้นทรายปนกรวดค่อนข้างราบเรียบ มีรอยคลางของไอค้คลางคาวบ่ายหน้าเข้าไปยังถ้าทิศ ท, ทางเดียวกันรอยเลือดไปอยู่กับพื้นเป็นย่อมย่อมรอยตีนคนสิงชยันร้องครางเหมือนจะพูดได้อยู่ประโยคเดียวเท่านั้นรอยตีนแต่เห็นจะไม่ใช่คนหรอกนะมอนสเตอร์อะมนุษย์น่ะมาเรียพูดเกือบจะไม่มีเสียงกายสั่นเทิม มันเอเอ อ, เ อ, อมันมันคืออะไรจำไม่ได้หรือชายันคิดดูให้ดีสิเราเคยเห็นรอยตีชนิดนี้มาก่อนแล้วนะคุณหมายถึงเสียงกระซิบกระซาบของชายันแทบเหือดชะงักท้างไปแค่นั้นเหมือนมีอะไรมาจุกค อ, อหอยไว้อากาศแวดล้อมจะอ้าวระอุสักเพียงใดก็ตามบัดนี้มือเท้าของเขาเย็นไปหมด จ้องดูรอยเท้าเหล่านั้นตาไม่กระพบในรูปของฝาเท้ามนุษย์แต่ส่วนสัพว์ได้ลักษณะที่ใหญ่โตผิดปกติดูราวกับเท้าที่หล่อด้วยปลาสเตอร์นำมากดไว้บนพื้นทรายเขาเขาก็หวนคิดวูบขึ้นมาได้ในจับพลันมันจะเป็นรอยเท้าของอะไรไปไม่ได้โดยเด็ดขาดนอกจากศพตายซาก พ, พันปีของนักบวชลน ซึ่งเต็มไปด้วยความลี้ลับตนนั้นถูกของมาเรียแล้วเขาเองและทุกคนเคยพบเห็นพร้อมกับความประหลาดใจขนลุกขนชันมาก่อนในระหว่างที่หินในระหว่างที่เดินทางร่วมกันอยู่คั้นแล้วต่อมาทั้งคณะก็มาพบซาก ข, ของมันอีกครั้งนั่งแข็งทื่อพิงร่มอยู่ในเงาหินกระพินไทรวันเป็นคนประวัิ ระพินไทวันเป็นคนวัดขนาดเท้าของมันในขณะที่พบนั้นแล้วก็รู้ชัดกันออกไปว่ามันเป็นขนาดเท้าเดียวกันนั่นเองก่อนหน้าที่เจ้าเสือโครงดําจะกระโจนเข้ามาคาบซากของมันหลบหนีไปบัดนี้อย่างแปลกปลาดมหาสัจจรเกินคาดฝันได้จู่ๆในระหว่างการตามรอยของทางขาวผีที่ถูกปืนคลานสมซานหนีทั้งเขาและมาเรีย ก็มาพบเข้ากับรอยเท้าของมันอีกมันจะมาจากไหนอย่างไรก็สุดที่จะบอกได้แต่จากร่องรอยที่เห็นอยู่ยามนี้มันเดินถอยหลังนำเจ้าสัตว์ไ ร, ร้ครึ่งนกครึ่งหนูตัวนั้นให้คลานตามเข้าไปในโพรงถ้าอันมืดมิดที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ให้หายออกไปนั่นเองรอยนั้นใหม่ที่สุด ใหม่พอๆกรบรอยคลานของคางคาวสูบเลือดพื้นอันยุ่ยของทรายแทๆ้ๆที่ทำให้ปรากฏหลักฐานยืนยันให้เห็นในความรู้สึกอันพลิกพลั่นพล่นสยองจนสุดที่จะกล่าวได้ชายันเหงื่อแตกโสมทั้งตัวถึงกระ น, นั้นเขาก็หนาวสัน่นสีหน้าของบุคคลทั้งสองที่ยืนตะลึงงานจ้องอยู่ในขณะนี้บั้นยากที่สุดถอยทชยันถ้ามันจะไม่เข้าทีซะแล้ว มารียส ก, กิตชายันกัดกรามแน่นความห้าวหาญมุทะลุแบบบ้าบินเกิดขึ้นแทนความสยองกลัวในทันทีนั้นไอ้มันเห็นดำเห็นแดงไปคืนนี้เลยนี่เมตามมันให้ถึงที่สุดผมต้องฆ่ามันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นไอ้ค้างคามนารกนั่นหรืออะไรทั้งสิ้นที่มันเป็นศัตรูกับเราผมต้องการแล่มันด้วยไอ้นี่ ปรยกสุดท้ายเขาตะโกนอย่างดีเดือดชูจุด600นไนโตรในมือขึ้นเสียงของชายยันกึกก้องสะท้อนไปตามก้อนหินและชายผาที่แวดล้อมอยู่แล้วก็มีแต่เสียงเอ็ดอึงของเขาคนเดียวเท่านั้นไม่มีซ้ำเสียงใดอีกทั้งสิ้น่าำกลางความเงียบขนาดเข็มตกก็ได้ยินมาเรียยังยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นพอเขาขยับตัวจะพุนพลันตามรอยติดเข้าไปทางปากถ้ำ หล่อนก็คว้าไหล่ไว้คิดจะก่อนนะชายาความต่อาหารนั้เป็นสิ่งที่ดีแต่มันต้องกรอบด้วยสติและความรอบคอบด้วยถ้าเป็นเวลากลางวันสายตาของเราเห็นอะไรได้กระจ่างชัดรอบด้านไม่ใช่จํากัดอยู่เพียงไฟฉายดวงเดียวแค่นี้ฉันจะไม่ห้ามคุณเลยทำไมละเมเพียงแค่เห็นรอยเต็นของไอ้ผีดิบนั่นคุณก็คิดจะถอยซะแล้วเหรอ ทั้งๆ ท, ที่เราสาวรอยมันเข้ามาอย่างกระชั้นชิดที่สุดแล้วเราก็กำลังจะได้ตัวมันนี่คุณยอมทิ้งโอกาสนี้เสียแล้วเหรอคุณไม่ได้กล้าหรอกนะชยยันแต่คุณกำลังบ้าระหำโกรธแค้นและขาดการไต่กรองนี่ลองถามตัวเองดูบ้างหรื อ, อยังละ่ะว่ารอยตีนที่เราเห็นอยู่นี่นะมันมาอย่างไงแลวมันเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าสัตว์ประหลาด ที่กำลังสมซานหนีเราสบตายซ่าที่บัดนี้ลุกขึ้นมาเดินได้แต่ไม่ได้วยแผนการลี้ลับที่เรายังถ่ายไม่ถูกหรือจะรู้เราก็รู้จากที่เห็นอยู่นี่อย่างเดียวว่ามันมาคอยดักรับน้ำหนักนำทางไปให้ทางขาวตัวนั้นหนีเข้าไปในถ้ำสัตว์อุบาทนันก็ควรจะหมดแรงและตายไปแต่มันกลับมีแรงกระเสือกกระสนหนีต่อไปได้ คือการชักจูงนำพาของเจ้ามอนสเตอร์ตนนั้นซึ่อเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงคำพูดของสาวผมทองทำให้ชยันต้องชะงักถูกของหล่อนแล้วพฤติการอันพิลึกพิลั่นไม่ชอบมาพากลอันยากจะทำนายนี้มันทำให้ต้องคิดอย่างรอบครอบที่สุดไอ้ผีดิบตายซากซึ่งลงความเห็นเชื่อมั่นกันไวแล้วว่า สามารถถ่ายทอดสับเปลี่ยนวิญญาณได้ในระหว่างซากเสือและซากมนุษย์บัดนี้จากรอยติงที่เห็นแสดงว่ามันย่องเข้ามาป้วนเปียนอยู่ในละแวกนี้อย่างลึกลับและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับค้างคาวใหญ่สูบเลือดตัวนั้นในสภาพไหนค้างคาวรุตยูถูกปืนจากฝ่ายมนุษย์บาดเจ็บสมซานแล้วก็คลานกระเสืกระสนตามการนำของมันหายเข้าไปในถ้าเป็นความปลอดภัยเพียงพอหรือ ในการที่จะบุกตามเข้าไปในภาวะเช่นนี้อย่างน้อยเราก็ควรตามเข้าไปดูที่ปากถ้านั่นก่อนนะดูกันให้เห็นว่าถ้านั้นมีทางไปยังไงบางทีมันอาจเป็นทางตันตื้นตื้นก็ได้ดีช่วยยังไงก็จะได้รู้กันเสนในคืนนี้อดีตนายพันตรีทหารปืนใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนความตั้งใจง่ายๆลองดูก็ได้แต่ฉันคิดว่าเราจะผิดหวังเสมากกว่านะ มาเรียว่าแล้วพยักหน้ากับเขาเป็นความหมายทั้งสองจะรุดเท้าถือปืนในท่าประจันบาลย่องตามทางนั้นเข้าไปจนมาถึงปากถ้ำสันฐานเกือบจะกลมดิกราวกับมีอะไรมาขุดเจาะไว้ในหินผาทั้งก้อนมันชอนเข้าไปใต้เขาใหญ่มีเส้นผ่าสูงกลางจากด้านบนลงมาจนพื้นล่างประมาณสี่เมตรจริงอย่างที่แม่มสาวพูดไวไฟฉายแปดท่อนที่ซองเข้าไป เห็นแต่ความลึกปราศจากขอบเขตราวกับอุโมงค์ใต้ดินที่เจาะทะลุเข้าไปใต้เขาทางลูกรอยของไอ้มัมมี่นำข้างคาวลำบากตัวนั้นคลานหายเข้าไปในความมืดมิดของถ้ำอย่างไม่มีอะไรต้องเคลือบแคลงสงสัยชัยันและมาเรียไม่คิดมาก่อนว่าจะมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งซ่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามของลำทางที่พักนอนมันถูกหลบซ่อนปิดบังอยู่ในระหว่างลืหินที่งอก เป็นฉากอัมพรางสลับซับซ้อนด้านหน้าทั้งสองหยุดชะงักอยู่เพียงแค่ปากถ้ำสองไฟตรวจไปรอบๆลึกสักขนาดไหนนำไปออกสู่ที่ใดและอะไรที่รอคอยเราอยู่บ้างถ้าหากหลวมตัวตามเข้าไปตอนนี้มาเรียกระสิกเปิดเมื่อมาเห็นลักษณะอันลึกลำ้ำไม่น่าไว้วางใจของถ้ำนั้นกับตา เทีนก็ยอมลงความเห็นด้วยกับเพื่อนสาวผู้ร่วมสถานการณ์มันเสี่ยงเกินไปเสียงเกินกว่าเหตุในการที่จะนมงมเข้าไปในยามนี้เขามองหน้าหลอนแทนคําตอบมาเรียเข้าใจความรู้สึกบอกมาอีกว่ากลับไปนอนพักแรงก่อนดีกว่าให้ตะวันขึ้นซะก่อนเราจะตามรอยมันอีกครั้งใช่นั่นย่อมเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้ว ถึงจะพยายามดิ้นรนค้นคิดหาทางเช่นไรในภาวะเช่นนี้มันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าสิ่งที่มาเรียบอกอีกแล้ว สองพละถอยจากปากถ้าอันเป็นหนทางคลานแทะตัวหนีเข้าไปของเจ้าค้างคาวลำบากแล้วลุยข้ามฐานน้ากลับมายังที่พักช่วยกันก่อไฟเพิ่มเติมขึ้นเป็นกองใหญ่และจัด ก, การสวนเสื้อผ้าที่ถอดล่อนจ้อนกองไว้ตั้งแต่ตอนลงอาบน้ําเมื่อหัวข้ามโดยเร็วจากนั้นก็ช่วยกันเอาไฟฉายสองค้นหาสิ่งของที่ประจําตัวที่กระจายเกลื่อนเพ่นผ่านอยู่รอบบริเวณในขณะที่ไอ้ค้างคาวสูบเลือด พุ่งเข้าจู่โจมถึงตัวเป็นพลาวันจนตั้งตัวไม่ติดเมื่อครู่ใหญ่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกปืนที่เกลื่อนกระจายอยู่กับพื้นไฟฉายฮันเตอร์กระบอกแรกที่มาเรียควานพบซึ่งความจริงเป็นไฟประจำตัวของเขาเองเมื่อมีเวลาพอที่จะตรวจสอบกันให้ละเอียดก็พบว่าความสะเทือนอย่างรุนแรงขนาที่ถูกปีของมันตีหลุดกระเด็นไปจากมือทาให้กระจกหน้าแตกราวและหลอดขาดไปจริง ตามที่เข้าใจไว้ใช้ ย, ยันจัดการเอาหลอดสำรองที่มีติดอยู่ในย่ามหลังใส่มันก็พอจะเปล่งแสงออกไปได้แต่ก็ไม่น่าไวา้วางใจนักเพราะชิ้นส่วนบางแห่งหลวมคลอนทำให้แสงไฟไม่สม่าเสมอและมักจะดับหายไปเฉยๆต้องใช้วิธีเขยา่าหรือตบกันแรงๆอย่างไรก็ตามภายหลังจากแก้ไขโดยเอาเศษใบไม้แห้งยัดหนุนไว้ตรงรอยหลวมมันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ตามแกม ก่อนสวมเสือ้อมาเรียหันแผ่นหลังเปลือยให้แกเขาช่วยดูสิฉันรู้สึกว่าถูกเล็บของมันตอนที่ถูกฉกครั้งแรกชัยันเอาไฟฉายส่องแล้วก็เห็นแนวถูกข่วนเป็นทางยาวมีเลือดซึม น, นันอย่างถนัดใช่เหมือนโดนหนามเกี่ยวแต่ไม่ลึกนักเขาบอกพร้อมกับใช้มือกดเข้าไปอย่างหนักหน่วงสอบอาการว่ารู้สึกเป็นไงบ้างไหม ก็ไม่เป็นไรมากนักหรนอกจากแสบๆท่านั้นปวดที่ใต้ทอยมากกว่านะรู้สึกว่าจะล้มลงไปฟาดกับก้อนหินตอนที่มันสวนควันปืนครั้งสุดท้ายอนายทหารหนุ่มคลําดูที่ศีรษะด้านหลังของหล่อนอย่างระมัดระวงังอืมบวมๆนิดหน่อยแต่อะไรก็ช่างเถอะแผลที่หลังคุณถึงจะเล็กน้อยมันก็ทําให้ผิวหนังถาดเลือดออกไม่รู้จะเป็นพิษอะไรขึ้นหลัที่หลังหรือเปล่า รันดีเหลืออยู่อีกบ้างหรือเปล่าล่ะก็ติอยู่ก้นก็ติกอ่ะคงไม่ถึงอึกรอกฉันไม่ต้องการดื่มมันหรอกชัยยันแค่ต้องการมันในลักษณะของยาฆ่าเชื้อนะชัยยันเข้าใจได้ในทันทีลวมย่ามหยิบเอาสำลีเล็กๆขึ้นมาก้อนหนึง่งซั บ, บรันดีจากกระติกจนชุ่มแล้วเช็ดแผลรอยขีดยาวกลางแผ่นหลังของเพื่อนสาวอย่างระมัดระวังมาเรียกัดฟันแน่นต่อสู้กับอำนาจของความแสบ แล้วสวมเสือ้อย่างรวดเร็วอย่างปรัดเปรียวแคล่วคล่องตามเดิมหันมามองดูเขาถามว่ากุณชายันบาดเจ็บมั่งหรือเปล่าก็ไม่มากนาักครับเขาตอบสั้นๆทั้งสองนั่งห่างกองไฟออกมาโดยยึดเงาของโขดหินกลุ่มหนึ่งหันหน้าไปยังฝั่งทาน้ำชายันเอาบุหรี่ที่เหลือออกมาแบ่งกันสูดและฉายไฟกลาดอยู่ไปมาอย่างไม่วางใจสนิทนะัก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยากที่จะบังคับสติอารมณ์ให้เป็นปกติโดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายันผู้ซึ่งเผชิญกับปริศนาที่คบไม่แตกเขารับรู้ความวิปริตผิดอาเพศนั้นเพียงคนเดียวในขณะที่มาเรียนนอกพื้นสลบไปชั่วขณะหนึ่งสิ่งนั้นก็คือเสียงร้องครวญครางและเสียงกรีดของเจ้าค้างคาวนรกขณะที่มันถูกปืนมันดังออกมาเป็นเสียงมนุษย์ชัดๆ จนกระทั่งเข้าใจว่าเป็นเสียงของมาเรียมารู้เอาว่าไม่ใช่ก็ต่อเมื่อเขาคลำไปพบตัวมาเรียและปลุกให้คืนสติขึ้นและในทันทีที่เพื่อนสาวผู้ร่วมสถานการณ์รู้สึกตัวขึ้นมาเสียงประหลาดที่เขาได้ยินก็หมดสิ้นไปดูราวกับว่ามันเจตนาที่จะทําเสียงชนิดนั้นให้เขาได้ยินเพียงคนเดียวเท่านั้นอีกประการหนึ่งอันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สุดก็คือมันน่าจะหมดฤทธิ์ อยู่กับที่แล้วแต่ปรากฏว่ามันยังหนีหลุดรอดเงื้อมือไปได้และการไปก็ผิดวิกฤตคือใช้วิธีคลานกระเสือกระสนไปกับพื้นมีหนังซ้ำยังมีร่องรอยของเจ้ามัมมี่พันปีต น, นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องชักพานำหนีเข้าไปในถ้าเหมือนจะมาคอยดักช่วยเหลืออยู่ก่อนนะแม้จะเป็นการตามรอยกันได้อย่างกระชั้นชิดก็ตามแต่ภูมิประเทศและเวลาอันเป็นกลางคืนมืดมิดเป็นอุปสรรค สกัดกั้นไว้ทำให้ไม่กล้าที่จะติดตามใหญ่จริงของเขาเองนะ่ะเป็นตายร้ายดียังไงถ้ามาเรียมไม่ทวงไว้ก็คงตะลุยตามไปจนถึงที่สุดแต่เขาก็จำเป็นต้องรับฟังเหตุผลของแม่มสาวเพราะถึงยังไงมาเรียก็จ่อมจัดเจนชำนาญกว่าเขาในรหับของพงไพรและหล่อนก็ไม่ใช่คนคลับ บัดนี้ทั้งคู่ตกอยู่ในภาวะนั่งกอดเข่าเจ่าจุกเเรียมระวังภยัยเร่งแสงตะวันให้ขึ้นเสโดยเร็วและขณะนั้นเองมาเรียผู้นั่งซึมอยู่ก็มีอาการเหมือนจะเพิ่งคิดอะไรขึ้นมาได้ฉายไฟอีกครั้งพร้อมกับลุกขึ้นเดินตรวจ ด, ดูตามพื้นในละแวกใกล้เคียงรอบด้านชัยยันคว้าปืนสืบตามหลังมาหารายละเมก็เห็นแบ ม, มสาวอยู่ในอาการชงนคิด ยกมือขึ้นจับปลายคางรูปคลาไปมายังไม่ตอบเขาในทันทีนั้นหมุนตัวไปรอบๆแล้วสาวเท้าพดูดพวดมาหยุดยืนอยู่ยังตำแหน่งพื้นหินราบโลกที่หลอนกระช ย, ยันเผลอนอนหลับไปแต่แรกเรานอนกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนที่ฉันปลุกคุณขึ้นมาก่อนหน้าค้างคาวตัวนั้นจะโฉบลงเล่นงานเราใช่ทาไมมาเรียซอยปลือกตาทีๆหันกลับไปยังกองไฟ เหมือนจะคำนวณหาทิศทางที่แน่นอนและสุดตัวนั่งหันศีรษะไปทางด้านที่เคยนอนพลางเอ็นตัวลงนอนหงายลืมตาพโพลตลอดเวลาอาการอันแปลกประหลาดของหญิงสาวชัยยันยืนดูอยู่เงียบๆโดยไม่สามารถจะเข้าใจท่าทีของหล่อนได้ใจต่อมานั่นเองหล่อนก็ดึงกายขึ้นนั่งอีกครั้งสองไฟสำรวจไปยังพื้นด้านปลายเท้าผ้าของคุณพิกลไหมนะเม ชยันเอ่ยขึ้นแหบต่ำจ้องตาหล่อนขม็งมาเรียหัวเราะออกมาแปลงๆแล้วโบกมือฉันไม่ได้เป็นไรยรอกชยันอย่า ก, กัางวลไปเลยฉันเพียงแต่ต้องการหาหลักฐานอะไรบางอย่างในสิ่งที่ฉันพบเห็นอย่างแปลกประหลาดเท่านั้นแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยพื้นตรงนี้นําเป็นหินแข็งแล้วก็แห้งสนิทหรือมิฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเห็นก็เป็นแต่เพียงความฝันไปเท่านั้น หล่นหัวเราะ อ, อีกครั้งยักไหลก่กล่าวต่อมาเหมือนจะเปรยกับตนเองถูกแล้วมันควรจะเป็นความฝันจะมากกว่าพูดอะไรผมไม่เข้าใจที่คุณพูดเลยไหมนี่ชายันคุณรู้ไหมไอ้ที่ฉันตกใจตื่นและปลุกคุณให้ตื่นขึ้นอีกคนอย่างทันเหตุการณ์เพราะอะไรรู้ไหมก็นั่นสิกำลังจะถามอยู่เหมือนกันมีชายคนหนึ่งมาปลุกฉัน ชายคนหนึ่งมาปลุกคุณชยันหลุดปากออกมาเกือบจะเป็นเสียงตะโกนอืมใช่ชายคนหนึ่งที่ฉันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เพราะชายคนนั้นน่ะนี่เสียสติไปแล้วนะ่าเมฟังฉันให้จบก่อนสิชยันแล้วเรามาช่วยกันคิดค้นพิจารณาดีกว่าชื่อใจสิฉันไม่ได้เพอ้อหรือบ้าไปหรอกน้ําเสียงของมารียราบเรียบจริงจัง ชัยยันอัศจรรย์ใจไปหมดหย่อนตัวลงนั่งใกล้ๆจ้องหลอนตาไม่กระพริบอยู่เช่นนั้นเหมือนจะค้นหาแต่ก็ไม่มีวี่แววผิดปกติใดๆจากเพื่อนสาวไหนลองเล่าไปสิใครที่ไหนเข้ามาปลุกคุณในขณะที่เรานอนหลับอยู่ในป่ามหาอุบาทเห็นหน้ากันอยู่แค่สองคนเนี่ยอยู่ว่าแต่คุณเลยฉันเองก็แปลกใจอยู่จนเดี๋ยวนี้แหละก็ตอนที่เรามัวพะวงสู้กับไอ้ค้างคาว ทำให้ลืมไปเสชั่วขณะเพื่อจะมานึกได้เมื่อครู่นี้เองมาเรียพูดแผ่วเบาอย่างตรีตรองแล้วเล่าต่อไปช้าช้าฉันตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าถูกเขย่าปลุกที่ปลายเท้าพอลืมตาก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ทางด้านปลายเท้าตอนนั้นฉันตกตะลึงไปหมดพยายามลุกขึ้นโดยเร็วด้วยความตกใจแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรมายึดไว้ประสาททุกส่วนไม่ยอมทางาน ไม่สามารถจะกระดิกกระเดียได้จะร้องก็ไม่มีเสียงได้แต่นอนตะลึงจ้องอยู่เช่นนั้นเพ่งไปทีแรกฉันเข้าใจว่าเป็นแง่ทรายแต่พระเจ้าเป็นพยานเถอะเขาไม่ใช่แง่ทรายหรอกเป็นใครที่ฉันไม่เคยรู้จักพบเห็นมาก่อนเลยนะเขาสูงหกฟุตเศษล่ำสันกำยำสวมเกราะเงินขาดดาบแต่งกายอย่างกนนักรบในโบราณ น, นิยาย ใบหน้าคมสันแล้วก็เคร่งขรึมดูเศร้าอ่อนโยนแล้วก็สอแววเป็นมิตรชยันแยกเขี้ยวหดคอลงสีหน้าปั้นยากที่สุดต่อไปสิมาเรียรีตาเหมือนจะให้ภาพที่ล่อนเห็นผุดเด่นชัดอีกครั้งมองอย่างปราศจักจุดหมายออกไปยังความมืดสนิทเบื้องหน้าสาบานก็ได้นะ ว่าฉันได้ยินเสียงชายในชุดขุนศึกคนนั้นพูดกับฉันด้วยแล้วว่าเขาพูดว่าบัดนี้อันตรายกําลังจะมาถึงตัวท่านแล้วจงตื่นและเตรียมรับมือเถอะตอนนั้นฉันหลุดปากถามไปได้ว่าเจ้าคือใครเขาก็ตอบว่าเราคือวรมันขุนศึกแห่งนิทรานกรเรามาปลุก และเตือนท่านให้เตรียมระวังภัยเนี่ยเขากล่าวเพียงแค่เนี้ก็หันหลังกลับเดินช้าๆหายก็ไปในเงามืดฝันชายันพูดหนักๆในลำคอฉันก็คิดว่าฉันควรจะฝันไปเหมือนกันนะแต่มันน่าแปลกนะในข้อที่ว่าภัยหลังจากที่ร่างนั้นเดินลับหายไปแล้วต่อมาอีกอึดใจใหญ่ฉันก็ได้ยินเสียงปีกระพือลมของไอ้ค้างคาวตัวนั้น บินใกล้เข้ามาแล้วฉันก็ปลุกคุณขึ้นถ้างั้นก็เป็นเหตุการณ์ประจวบเหมาะที่เป็นผลดีกับเราอย่างยิ่งอ่คุณฝันไปว่ามีนักรบโบราณคนนึงมาปลุกพอตกใจตื่นก็พอดีได้ยินเสียงปีกบินของค้างคาวยักษ์นั่นก็ลงมาช่วยกันพิจารณาสิว่าเมื่อคุณว่ามันเป็นฝันฉันก็อยากจะเข้าใจเช่นนั้นเหมือนกันนะชยัน ท, ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สุด ทำไมฉันถึงฝันไปในลักษณะเช่นนั้นด้วยมันเพราะอะไรฉันไม่เคยมีความคิดชนิดมาก่อนเลยนะไม่เคยได้ยินชื่อวรมมนขุนศึกแห่งนิทรานครไม่เคยคิดหรือรับภาพพจน์อะไรที่ไหนเกี่ยวกับชายนักรบโบราณด้วยจน ท, ที่จะทำให้ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกและบรรดาให้ฝันขึ้นแม้เดี๋ยวนี้ฉันก็ยังจาชวดทรงและค้าวหน้าของเขาได้ติดตาทีเดียวสิ่งที่แปลกอีกอย่างก็คือ ชื่อวรมันเกิดมาฉันไม่เคยได้ยินชื่อชนิดนี้แล้วอยู่ๆมันผุดขึ้นมาในฝันของฉันได้ยังไงนายทหารหนุ่มอึ้งไปเขาจะไม่รู้สึกแปลกใจนะักถ้าคาบอกเล่าชนิดนี้เกิดขึ้นกับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์เพราะรู้ดีอยู่แล้วว่าเพื่อนสาวราชาสกุลมักจะมีความฝันแปลกๆอยู่เสมอแต่นี่มันมาเกิดขึ้นกับมาเรียฮอฟมัน ซึ่งไม่มีอะไรโน้มเอียงไปในด้านนั้นมาก่อนเลยวรมันคุนศึกแห่งนิทรานครชัยยันพึงพัมเอมันยังไงพิกลอยู่นะแต่ถึงยังไงมันก็เป็นความฝันของคุณอยู่ดีแหละเมเพียงแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาอยู่ในความฝันของคุณได้เพราะอะไรเท่านั้น ฉันจะฝันร้ายหรือดียังไงก็ได้ทั้งนั้นเน่ยแต่ควรจะเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกี่ยวข้องผูกพันมาก่อนหรือมิฉะนั้นก็เหตุการณ์ที่ประวัติคิดอันเป็นลักษณะฝันโดยปกติของคนทั่วไปแต่นี่ฉันไม่เคยเกี่ยวข้องหรือนึกคิดภาพชนิดนี้มาก่อนเลยนะชยันไอ้ส่วนการจะยืนยันกับคุณว่าฉันไม่ได้ฝันแต่มันเป็นเหตุการณ์จริงที่ฉันลืมตาขึ้นมาพบก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลเกินไปสําหรับคุณ เราพิสูจน์กันได้ง่ายนิดเดียวนี่เมย์ว่าคุณฝันไปหรือว่าลืมตา ม, มองไปเห็นจริงๆพิสูจน์ไงละ่ะฉันพยายามตรวจหาร่องรอยอยู่เมต่ตะกี้แต่ไม่พบอะไรเลยก็ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีนั้นดอกเมย์ตอนที่คุณตื่นขึ้นมากองไฟที่เราก่อไว้ดับหมดแล้วไม่ใช่เหรอแวดล้อมรอบด้านจะต้องเป็นความมืดช น, นิดที่เรามองอะไรไม่เห็นเลยลองถามตัวเองบ้างไหม ว่าคุณสามารถมองเห็นนักรบในเกราะเงินน่ะได้ยังไงเห็นชัดแม้กระทั่งสีหน้าอันเคร่งขรึมและเศร้าอ่อนโยนเป็นมิตรอย่างที่บอกมารียกมือขึ้นกลุมขมับขมวดคิ้วแล้วยิ้มปราปบาออกมาอืจริงของคุณสินะเมื่อไม่มีแสงสว่างฉันก็ไม่ควรจะเห็นอะไรได้ชัดเหมือนอย่างที่เห็นน่นเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเป็นการเห็นในความฝันนั่น อีกประการหนึ่งมีการพูดโตอตอบระหว่างคุณกระชายนักรบผู้นั้นตามที่เล่าให้ฟังด้วยอ่ะคิดอีกทีสิว่าชายผู้นั้นนะ่ะเขาใช้ภาษาอะไรพูดกับคุณนักผจญภัยสาวเลือดอยุโรปตกอยู่ในลักษณะพิศว ง, งงงงนันอีกครั้งหนึ่งแววตาที่จ้องประสานตาเขาตื่นตื่นแล้วก็ร้องขึ้นเบาๆเาออจริงสิในข้อนี้เน่ะ ฉันบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเขาใช้ภาษาในแขนงใดผู้กับฉันแต่ฉันก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดได้อย่างกระจ่างชัดที่สุดและส่วนที่ฉันตอบเขาออกไปแน่ละฉันจะต้องพูดในภาษาที่ฉันเคยใช้ชยันฝืนหัวเราะลักษณะอันผิดประหลาชนิดนั้นมันเป็นเครื่องยืนยันได้นะคุณว่ามันเป็นความฝันว่าแต่คุณเชื่อในทฤษฎีของวิญญาณศาสตร์หรือเปล่าลเม มารีสันสีสั์ฉันไม่เคยเข้าใจทั้งไม่ไม่เคยสนใจมาก่อนเกี่ยวกับวิญญาณศาสตร์ด้วยทําไมอะ่ะไอ้ทฤษฎีวิญญาณศาสตร์จะมีจริงหรือไม่เพียงไรนะผมก็ไม่กล้ายืนยันหรอกนะแต่ทฤษฎีนั้นเขากล่าวว่าวิญญาณเป็นสิ่งมีจริงเป็นสิ่งที่วนเวียนและล่องลอยมนุษย์หรือสัตว์ใดก็ตามเมื่อร่างกายแตกดับตายไปแล้ววิญญาณก็ยังอยู่ และถ้าจะคิดตามทฤษฎีนี้ก็น่าจะหมายความถึงว่าดวงจิตในขณะที่หลับของคุณได้สัมผัสเข้ากับวิญญาณดวงหนึ่งบรมันขุนศึกแห่งนิทราณนครผู้นั้นวิญญาณนั่นแหละที่เข้ามาเตือนปลุกคุณให้ตื่นขึ้นพร้อมทั้งสนทนาพูดจาโต้อตอบกับคุณเป็นการพบเห็นการทางดวงจิตไม่ใช่ทางกายแม่สาวมีสีหน้ายากจะบรรยาย แล้วก็เป็นใครเหตุใดจึงมาในลักษณะแสดงตัวเป็นมิตรต่อเราแบบนี้ด้วยชายหนุ่มหัวเราะประปราอยู่เช่นนั้นเอาก็ทําไมคุณถึงไม่สัมภาษณ์พูดจาสอบถามก็เสรู้แล้วรู้รอดไปแล้วก็ตอนนั้นฉันโมแต่ตะลึงอะ่ะเขามาบอกเพียงเท่านั้นก็พละไปมาเรียบอกมาอย่างพาซึความฝันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมย์เราไม่สามารถจะทาอะไรได้อย่างใจคิดเสมอไปหรอก นั่นว่าเราได้รับรู้ต่อความแปลกประหลาดลึกลับอีกชนิดหนึ่งคือที่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นทันกับวิญญาณ น, นั้นอ้างตัวให้เรารู้เพียงว่าชื่อวรมันขุนศึกแห่งนิทรานครลักษณะการส่อความเป็นมิตรไม่มีอะไรจะสรุปได้มากไปกว่านี้แม้ว่าจะเป็นการสรุปอย่างทรงเดชที่สุดผมไม่มองข้ามฝันประหลาดชนิดนี้ของคุณดอกน้เมฆและยอมรับว่ามันน่าคิดที่สุด สังหอนว่ามันจะต้องมีมูลเหตุเกี่ยวโยงด้วยแต่คุณสิมองข้ามในสิ่งที่ผมบอกไปซะอะไรละ่ะก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าไอ้ค้างคาวตัวนั้นน่ะมันถูกปืนมันร้องกรีดเป็นเสียงคนเสียงผู้หญิงซะด้วยนะคุณต่อมาก็มีเสียงครวญครางและร้องไห้ผมได้ยินอยู่คนเดียวเหมือนความฝันของคุณเหมือนกันเพราะเพราะขณะนั้นคุณนกพื้นหมดสติไปชั่วขณะ ผมจะยืนยันให้ตายยังไงคุณก็ต้องหาว่าผมหูฝาดอยู่นั่นเองคำพูดของชายยันทำให้มาเรียสะท้านหนาวเข้าไปถึงหัวใจเช่นกันหลอนเบ้ปากกับพริบตาปริบๆมองดูเขาอย่างน่าสงสารครั้งหนึ่งเราเคยได้ยินเสียงมันร้องกรี๊ดแหลนฟังคล้ายๆเสียงคนเหมือนกันตอนที่พวกเราระดมยิงและมันบินหนีไปเสียงร้องของมันอาจเป็นเช่นนั้นก็ได้กระมัง ชครั้งหนึง่งเราก็เคยได้ยินเช่นนี้และคิดเช่นนี้แต่ก็ไม่คิดว่านอกจากเสียงแหลมกรีดยาวซึ่งอาจอนุโลมว่าสัตว์บางชนิดอาจทำเสียงได้เหมือนคนแล้วมันจะร้องไห้หรือครวญครางได้เหมือนคนอีกด้วยขาดอย่างเดียวเท่านั้นลหละคือไม่ได้เปล่งออกมาเป็นประโยคคำพูดอยาให้ตายเถอะถึงแม้ว่ามันจะพูดออกมาได้ผมก็ไม่ประหลาดใจอีกแล้วละ่ะ คุณได้ยินอยู่นานไหมเชยันก็หลายอึดใจทีเดียวละจนกระทั่งผมงมไปปะไปพบตัวคุณนอนสลบอยู่นั่นแหละพบปลุกคุณฟื้นขึ้นมาได้เสียงร้องของมันก็เงียบหายไปถ้ามันเป็นพูดผีปีศาจมันก็ไม่ควรถูกปืนเราร่วงลงมาคลานกับพื้นแล้วก็ทิ้งร่องรอยเลือดให้เห็นทั้งสองหันหน้าเข้าปรึกษากับปันปูนยุ่งเยิงไปหมดในสมองคิด ปัญหาที่ติดตามมาก็คือเจ้ามัมมี่พันปีซึ่งรู้แน่แล้วว่ามันเป็นร่างกายของวิญญาณร้ายดวงหนึ่งซึ่งสามารถถ่ายเทไปได้กับซากของเสือหินบัดนี้มันเข้ามายุ่งเกี่ยวมีความสัมพันธ์ยังไงกับข้างทาวสูบเลือดดังเช่นที่ค้นพบรอยตีนของมันเดินนำเจ้าสัตว์ ร, ร้ายที่ถูกปืนตัวนั้นคลานหลบหายเข้าไปในถ้การทักทวงของมาเรียที่แม่เขาบุกติดตามเข้าไปในขณะนี้น่าจะถูกต้องแล้ว หล่อนเองมีเหตุผลคิดไว้เช่นไรชายันก็ไม่น่าไม่อาจทายใจได้ถูกเหมือนกันทว่าบัตรนี้เขาพอจะมองเห็นอันตรายซึ่งอาจรอคอยสกัดรับหน้าอยู่ในนั้นได้รางรางแล้วภายหลังจากพิจารณาไคร่ครวนโดยรอบครอบใครจะบอกได้ว่าขณะที่เขาตามรอยค้างคาวเข้าไปในถ้ำอันมืดมิดไอ้กาลพยักษ์หรือเสือโคร่งดาตนนั้นจะไม่คอยดักรอจังหวะของมันอยู่ ในเมื่อมันเองแท้ที่จริงก็คือเจ้านักบวชโลนอะมนุษย์ผู้ลึกลับจะผิดกันก็แต่เพียงคนละร่างกายเท่านั้นครั้นแล้วหยกหยกนี่เองโดยการบอกเล่าของมาเรียปรากฏการณ์ที่จะต้องให้คิดชนิดใหม่ก็แทรกซ้อนเข้ามาอีกวรมันขุนศึกแห่งนิทรานนครเขาอยากจะคิดว่ามันเป็นความฝันอันไร้สาระของเพื่อนสาวในขณะที่เลือดลมไม่ปกติ แต่ก็อดที่จะคิดไกลไปกว่านั้นไม่ได้ชื่อเสียงเรียงนามชนิดนั้นน่าจะมีตัวตนมาก่อนและมีพลังงานคุณสมบัติอันเป็นเอกภาพในตัวของมันเองไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอุปทานจากจิตหลอนของผู้ฝันที่จะปั้นภาพขึ้นมาได้วรมันในฝันของมาเรียได้เข้ามาปลุกเตือนหญิงสาวช่วยให้รู้ตัวล่วงหน้าก่อนที่ไจะจูโจรเข้าเล่นงานเพียงครู่เดียว ความลี้ลับมหาศารย์ทุกอย่างที่เผชิญอยู่มันน่าจะมีอะไรเกี่ยวพันกันเป็นสายโซ่ทีเดียวคิดมาถึงตอนนี้ชายันก็พลันต้องระลึกถึงพวกพ้องที่แตกกระจายพรัดพรากชนิดไม่รู้อนาคตกันออกไปเหล่านั้นขึ้นมาอีกเขาอยากจะมีเชษฐาดารินรับพินและพลานร่วมตายทั้งหลายอยู่ประชุมพร้อมกันให้ครบหน้าและได้ร่วมรับรู้ในเหตุการณ์คืบหน้าชนิดใหม่ ที่เขาได้เผชิญอยู่ยกหยกนี้บุคคลชั้นมันสมองและฝีมือเหล่านั้นคงจะช่วยกันหาทางพิจารณาไปปริศนาและแก้ไขได้อย่างรัดกุมกว่าที่เขากรรมเรียเพียงสองคนจะทําได้ในยามนี้แต่คิดถึงบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ต้องสะท้อนถอนใจเพราะสุดปัญญาที่จะทราบได้ว่าใครตกอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีอาจเสียชีวิตกันไปหมดแล้วก็ได้ อีกระแสะความคิดนึกชนิดหนึ่งชายันก็ต้องสะดุ้งใจมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับแววสังขรประหลาดเมื่อย้อนคิดไปถึงความฝันของตนเองในคืนหนึ่งมันเป็นความฝันที่เขาเองก็ไม่เคยคิดนึกสร้างภายในดวงจิตมาก่อนเลยก็แล้วทําไมจึงฝันไปได้เช่นนั้นฝันว่าได้เข้าไปในปราศาสตร์ร่างอันปราขัดพางกลางป่าใหญ่ภายในห้องถงใจกลางนั้น เห็นนางพญาผู้เลยโฉมนางหนึ่งนอนสนิทนิ่งนิทราอยู่ในโรงแก้วเพียงเดียวดายท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยวและความปรักหักพังภาพเหล่านี้มันตรงกันกับการเพ้อพูดของแง่ายซึ่งระพินและเชษฐานำมาเปิดเผยให้เขาทราบในคืนหนึ่งและมันก็ไปสอดคล้องประสานกันได้กับความฝันของดารินวราฤทธิ์ผู้ซึ่งมองเห็นพืิภาพของอาณาจักรโบราณในอดีตการ นางกษัตริย์ผู้งามพิลาศเสด็จประทับมาบนวอทองแวดล้อมไปด้วยกองทหารข้าทาสบริวารบ่ายหน้าไปยังเทวสถานมีปุโรหิตเดินร่ายมนทําพิธีกรรมนำไปเบื้องหน้าขบวนมีทาหารเอกหรือขุนศึกคู่ใจขนาบคอยพิทักษ์ไปใกล้ๆตับวอที่ประทับ พ, พันธุมมวดีนางพญาแห่งนครหลักมันไกร ปุโรหิตพ่อมดรายไอ้มัมมี่ตายซากพันปีนั่นเองก็ถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นขุนศึกคู่ใจละ่ะชื่ออะไร น, นี่เมกคุณจำความฝันของน้อยได้ไหมโดยทันทีชา ย, ยันลืมตาพลูหันมาถามมาเรียขึ้นอย่างกระทันหัน หล่นสะดุ้งเพราะกำลังคุ้นคิดอะไรอยู่ตามลำพังเช่นกันหันมาจ้องหน้าอย่างประหลาดใจความฝันของน้อยอ่ก็คือหนึ่งที่เขาตื่นขึ้นมาเล่าเรื่องนางกษัตริย์ที่ประทับมาบนวอทองนั่นไงมาเรียขมวดคิ้วนิดหนึ่งแล้วตาก็เป็นประกายขึ้นโอ้จำได้สิคืนนั้นพี่ใหญ่กับไพรวันยังยืนยันนะว่าได้ยินเสียงเครื่องดนตรีโบราณลอยตามลมมาได้ยิน น้อยเล่าถึงขุนศึกหนุ่มผู้หนึ่งที่เดินเคียงไปคาคานหามของนางกษัตริะสับใช่เขาเล่ารายละเอียดราวกระเหตุการณ์ที่เห็นบนจอภา พ, พยนตร์หรือภาพพจน์ที่เกิดจากการอ่านนิยายถึงด้านสเสนหาสัมพันธ์ระหว่างนักรบหนุ่มกับนางกษัตริย์สาวผู้นั้นแล้วก็มีอำนาจอันุษย์สยากีดกันห่วงห้ามของชายผู้มีตำแหน่งเป็นปุโรหิตมาคอยเป็นอุปสรรค์อยู่ชายแก่ผู้นั้น มีอำนาจในพิธีกรรมทางศาสนาเต็มได้วยสัยเวทอาคมแบบพ่อมดด้วยละ่ะแล้วคุณนึกออกหรือยังละ่ะนึกอะไรก็นักรบหรือขุนศึกหนุ่มที่มีความรักอยู่กับพันธุ์ทุมวดีนางนั้นน่ะวัดก็วรรมนผู้มาปลุกคุณนั่นแหละภายหลังจากนั่งนิ่งเหมือนภาพปั้นอยู่ครู่เสียงแผ่วเบาของ เสียงแถวเบาก็รอดออกมาจากริมฝีปากของมาเรียว่าคุณมีเหตุผลอะไรเหรในการหยิบเอาพฤติการในความฝันของคนคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความฝันของอีกคนผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเมกว่ามีเหตุผลอะไรมันเป็นประสาทส่วนที่หกหรือแรงสังหรจะมากกว่าแล้วมั้งตลอดเวลาที่เราเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ร่วมกัน พวกเราทุกคนล้วนสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ลี้ลับซึ่งเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันทั้งสิ่งความฝันของผมตรงกับสิ่งที่แง่ทรายเคยเพ้อพูดโดยไม่ได้นัดแนะหรือรู้กันมาก่อนความฝันของน้อยก็สามารถต่อเนื่องกับฝันของผมได้เช่นกันมิหนำซ้ำยังเห็นชัดแม้กระทั่งรูปลักษณะของเจ้าโรหิตราคนนั้นจนกล้ายืนยันว่ามันคือไอ้ศพตายทราบพันปีนั่นเอง แล้วก็มาถึงความความฝันของคุณที่เกี่ยวกับขุนศึกคนหนึ่งเข้ามาตือนให้ระวังภัยอ้างชื่อว่าวอรมันสิ่งเหล่านี้คุณไม่คิดแต่ว่ามันสอดคล้องมีเบื้องหลังสลับซับซ้อนของมันแล้วก็เข้ามาผูกพันกับคณะพวกเราทั้งหมดผลลัพธ์จึงออกมาในรูปเหตุการณ์ประหลาดประหลาดที่เราต่างประชิญกันอยู่มันก็ควรจะเป็นได้เพียงสมมติฐานเท่านั้นนะ แต่ก่อนจะพบความจริงเราก็ต้องตั้งสมมุติฐานขึ้นก่อนจากเหตุผลสิ่งแวดล้อมและหลักฐานเท่าที่เราจะค้นหาได้จริงไหมมาเรียเอานิ้วเคาะที่สมองตนเองพร้อมกับถอนใจสั่นศีรษะฉันมีความคิดพุ่งไม่ไกลนักหรอกนะชยันในเรื่องอย่างนี้รู้อย่างเดียวว่ามันลึกลับแล้วก็มืดมนยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวชวนให้บ้า สรุปง่ายๆก็คือผีไพรน่ะมันหลอกหลอนให้เราหลงป่าตายซะมากกว่าล่ะเอาอย่างนี้ถือนโยบายเดิมของเราเถอะชัยยันเอากันแค่ปัญหาเฉพาะหน้าเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการปลอดภัยอยู่รอดของเราเป็นอันดับแรกถัดไปก็คือติดตามสืบหาพักพวกอืมก็ถูกต้องสำหรับความเห็นเช่นนี้แต่คุณจะทิ้งรอยไอ้ข้างข่าวเส็จแล้วเหรแล้วคุณจะเอาอยัางไงกับมัน หลอนยังความเห็นมาบ้างตรวจนับลูกปืนที่เหลือติดอยู่ทั้งหมดเรายิงมันเจ็บเลือดสาดไปแล้วนะถึงขนาดลงคลานหนีไปกับพื้นผมต้องการตามดูมันให้ถึงที่สุดจะได้เห็นชัดๆว่ามันตายหรือหลบไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนบางทีถ้า ท, ที่มันคลานหนีเข้าไปอาจเป็นรังของมันก็ได้แล้วมันก็เป็นโอกาสของเราแ่ะเราจะต้องบุกตามเข้าไปในถ้ันมืดมิด ซึ่งไม่รู้ว่าจะลึกสักเพียงไหนนะถ้ามีอะไรที่เราจะต้องหวั่นอีกละ่ะในเมื่อใจกลางเขีวนรกเราก็บุกบานกันออกมาแล้วงั้นก็ตามใจคุณดิชยันสำหรับฉันจะนรกหรือสวรรค์ไม่เกี่ยงทั้งสิน้นถึงยังไงพรุ่งนี้เราก็ต้องเคลื่อนย้ายเดินทางอยู่แล้วเป็นนั้นว่าเราเลือกทางไปโดยวิธีตามรอยไอ้ค้างคาวเข้าไปในถ้านั่นก็แล้วกันไม่ว่ามันจะนาไปพบกับอะไรที่ไหน มารียฮอคแมนตัดสินใจได้ง่ายๆตามเคยทั้งสองนั่งกอดปืนพิงก้อนหินหลับๆตื่นตื่นจนกระทั่งรุ่งสางป่าในบริเวณหุบที่เคยมืดมิดเต็มไปด้วยสัพพสิ่งซึ่งปกคลุมซ่อนเร้นอยู่ในเงาสงสัยของราตรีก็พลันสว่างสุดใส เลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ถนัดชัดเจนภายหลังจากบรรจุกระเพาะด้วยเนื้อเลียงผาที่เหลือจากเมื่อวานและย่างรมควันเก็บไว้เป็นสเสบียงแล้วต่างก็เก็บของเตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์ยากลําเคินและพยันตรายของวันใหม่ระหว่างที่ชายยันบรรจุน้ําในลําธารลงกระติกมาเรียเดินก้มดูอะไรอยู่ในป่าหินเหนือฝั่งที่พักนอนเมื่อคืนแล้วทันใดนั้นหล่อนก็ยกมือขึ้นดีดนิ้วโดยแรง พอเขาหันควับไปมองก็โบกมือเรียกมาด้วยอาการเร่งร้อนชายันเพนสองสามพรวดก็เข้าถึงตัวมันเป็นความงงงนันชะ ง, งนสนเทใจชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นพอะพื้นทรายในระหว่างก้อนหินเตียเต้ยตะเหล่านั้นมีรอยเตีนคู่หนึ่งปรากฏอยู่อย่างชัดเจนตำแหน่งไหนเป็นพื้นทรายยุยอ่อนมันก็มีรอยน้ำหนักตัวประทับบุ๋มลงไปสามารถจะเห็นสันฐานได้ทั้งห้านิ้ว ส่วนที่ตรงไหนเป็นพื้นหินแข็งเรียบ ก, ก็ปรากฏเป็นรอยจากฝุ่นที่เหยียบย่ําไว้รอยนั้นเดินออกมาจากป่ารกเหนือฝั่งทางด้านขวาทิศทางคล้ายจะบ่ายหน้าเข้าไปยังบริเวณที่พักนอนเมื่อคืนแล้วก็เดินย้อนกลับไปในทิศเดิมมาเรียยังไม่พูดอะไรในขณะนั้นสาวเท้าอย่างรวดเร็วติดตามสํารวจรอยที่ปรากฏให้เห็นจนกระทั่ง สุดสิ้นลงที่เนินหินก้อนใหญ่ส่วนชา ย, ยันยังจ้องพินิษอยู่ยังรอยอันชัดเจนที่สุดซึ่งปรากฏอยู่บนพื้นทรายอึดใจใหญ่ต่อมาแมมสาวก็กระโดดกลับเข้ามานี่ยังไงละ่ะที่ฉันพยายามจะส่องไฟค้นหาเมื่อคืนแต่ไม่พบเพราะแสงไฟฉายกับพื้นหินสีดําทำให้มองเห็นไม่ถนัดในที่สุดก็เจอเข้าแล้วจนได้ รอนกัดริมฝีปากพึพรรมพำออกมาเบาๆตาเป็นประกายวาวจ้องไปยังแนวป่ากระเซิงเหนือเนิเ น, นหินตีนผาตำแหน่งที่ติดตามรอยไปเมื่อหยกๆยกนี้ไมายความว่าอย่างไง ร, รอยตีนใครมันมาจากไหนพิจารณาให้ดีสิชา ย, ยันคุณดูไม่ออกหรือรอยตีนใครก็ไอรอยตีชนิดนี้แหละที่พวกเราทั้งหมดค้นหาและติดตามกันมาโดยตลอด แงาซายเหรอไม่มีปัญหาเลยชยันแ ง, งาซายฉันจํารอยตีนของเขาได้ดีกว่ารอยตีนของพวกเราคนไหนสกมาเรียพูดแผ่วต่ํากระแสะเสียงเต็มไปได้วยความตื่นเต้นตายังคงวาววามอยู่เช่นนั้นหมุนตัวไปรอบๆเมื่อคืนนี้เเขาย่องเข้ามาที่นี่คุณแน่ใจเหรอเมแน่ใจอย่างที่สุดอยากรอยนี่มันก็บอกชัดอยู่แล้วไง มารียืนยันหนักแน่นสุดตัวลงนั่งเอานิ้วแตะเบาๆที่ขอบของร่องนั้นแล้วเงยหน้าดูครับผมไม่เข้าใจเลยนะแง้าสายย่องเข้ามาเมื่อไหร่ตอนไหนทำไมเราถึงไม่รู้สึกตัวกันเลยแล้วมันย่องเข้ามาทำไมนี่ก็เป็นปัญหาที่ฉันกําลังถามตัวเองอยู่เหมือนกันแงาสายย่องเข้ามาเมื่อไหร่และทำไมทำไมเราถึงไม่รู้สึกตัวเข้ามาเพื่ออะไร แต่ถ้าฉันบอกอะไรคุณสักอย่างคุณจะเชื่อไหมอะไรก็เมื่อคืนนี้ไงที่คุณว่าฉันฝันแล้วตัวฉันเองก็เข้าใจไปว่าฝันนะความจริงมันก็คือความจริงฉันไม่ได้ฝันไปเลยฉันเพิ่งมาแน่ใจเอาต่อเมื่อค้นพบรอยตีนนี่เมผมไม่เข้าใจที่คุณพูดนะชายหนุ่มร้องดังๆจ้องตาหล่อนขมิงง้ง สาวผมทองยกหลังมือขึ้นขยี้ปลายจมูกนี่คุณรู้ไหมทำไมฉันถึงตามมาจนพบเข้ากับรอยตีนนี่เมื่อสักครู่นี่เองฉันทดลองนอนตรงที่ฉันนอนเมื่อคืนนี้อีกครั้งเพราะยังสกิดใจยังไงยังไงพิกนเกี่ยวกับความฝันเมื่อคืนนี่แล้วฉันก็ลุกขึ้นมาค่อยๆพิจารณาตรวจ ด, ดูตามพื้นด้านปลายเท้าของฉันที่ฉันเห็นชายในชุดนักรบโบราณมาปลุก มันจะเป็นอุปท า, านหรืออะไรก็ตามฉันเห็นรอยเท้าจางๆมันเกิดจากละองฝุ่นที่ติดเท้ามาที่พอจะสังเกตเห็นได้ชัดที่สุดก็คือส้นเท้าที่แรกฉันก็สงสัยว่ามันจะเป็นรอยเท้าของเราสองคนแต่มันไม่ใช่เพราะขนาดใหญ่กว่าฉันคลาตามไปเรื่อยๆแล้วมันก็ปรากฏให้เห็นชัดขึ้นทุกทีจนกระทั่งชัดเจนที่สุดก็ตรงที่เหยียบทรายไว้นี่แหละ คราวนี้มันก็อ่านออกไปตลอดทีเดียวเจ้าของรอยเท้านะ่ะเดินออกมาจากป่าบนเนินนน์ตัดตรงผ่านมาทางกลุ่มหินด้านนี้แล้วก็ตรงเข้าไปยังที่ที่เรานอนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปหยุดยืนอยู่ทางด้านปลายเท้าของฉันแง่ท า, ายแท้ๆเทียวที่เป็นคนไปปลุกให้ฉันตื่นขึ้นมาเมื่อคืนนี้ประโยคสุดท้ายมาเรียร้องกล้องออกมา ชัยยันยืนอ้าปากค้างตะลึงไปคู่อะก็ไหนคุณบอกว่าชายผู้นั้นอยู่ในชุดนักรบโบราณบอกว่าชื่อวรมันขุนศึกแห่งนิทรานครแล้วพู้กับคุณในภาษาอะไรก็บอกไม่ถูกแต่คุณสามารถจะเข้าใจได้ไงแมมสาวยกมือทั้งสองขึ้นบีบที่ำมับอาการของหล่อนจงหนนสนเทะประหลาดใจไม่น้อยไปกว่าเขานั่นจิพิษสดานที่สุด มหาสัจจันอะไรเช่นนี้รอยเท้าที่ปรากฏอยู่นี่เป็นรอยเท้าของแง่ไซชัดชัดแต่ฉันก็กล้า ย, ยืนยันเหมือนกันนะว่าใบหน้าลักษณะและก็รูปร่างตลอดจนเครื่องแต่งกายของชายที่ฉันเห็นเมื่อคือนะมันไม่ใช่แง่ายเลยจนนิดเดียวมันเป็นใครอีกคนหนึ่งสาบานก็ได้ว่าฉันไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเขาก็พูดกับฉันในภาษาที่แง่ายไม่เคยพูดพระเจ้าโปรดเถอ งงไปหมดแล้วคิดอะไรไม่ออกชัยยันขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งกายอีกครั้งโดยไม่รู้สึกตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณบอกว่าพอตกใจตื่นขึ้นมองไปทีแรกคุณเข้าใจว่าเป็นแง่ทรายไม่ใช่เหร อ, อลองพยายามคิดทบทวนให้ดีซิคุณเห็นยังไงแนะ่แต่การที่เราพบรอยตีนแง่ทรายเดินเข้ามาที่นี่มันก็บอกชัดอยู่แล้วนี่ ว่าจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากไอ้คนใช้ลึกลับตัวการสำคัญของเราคนนั้นแหละมาริสันสีสะยังมืนงงฉันไม่สามารถจะยืนยันแน่นอนยังไงลงไปได้ทั้งสิ้นแล้วล่ะมันสับสนเลื่อเรือยยังไงบอกไม่ถูกสำหรับเหตุการณ์ตอนนั้นแต่ก็ยังพอนึกออกอยู่บ้างเหมือนกันนะว่าขณะที่ลืมตาตื่นขึ้นครั้งแรกฉันเห็นว่าเป็นแง่ใาสา ทีนี้ถ้าจะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแสงซึ่งจะทำให้สายตาของคนเรามองเห็นภาพตามที่คุณทวงฉันก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันนะว่าฉันเห็นภาพได้ยังไงมันจะต้องเป็นปรากฏการพิเศษทีเดียวมองไปครั้งแรกว่าเป็นหน้าแงสใสแต่แล้วทันทีนั้นมันก็กลายเป็นอีกใบหน้าและลักษณะอีกอย่างหนึง่งสาคัญที่สุดก็คือขณะนั้นนะ่ะฉันกลายเป็นอมาาพาสไปหมด ขยับขยื่นไม่ได้เลยให้หลังจากคิดอย่างโอลลมมานไปหมดทั้งสมองชายันเม้มริมฝีปากแน่นนี่เมจากหลักฐานที่เราค้นพบนี่นะพิสูจน์ได้ชัดว่าแงซายนั่นแหละที่เข้ามาปลุกคุณแต่จะด้วยอะไรก็ตามคุณมองเห็นเป็นใครอีกคนหนึ่งไปอย่างแปลกประหลาดที่สุดและในขณะนั้นคุณจะต้องถูกอํานาจลี้ลับชนิดหนึ่ง ถ้ามายึดครองสะกดไว้บางทีชายันชงักไปนิดหนึ่งแล้วก็พล่งออกมาบางทีอาจจะเป็นวิญญาณที่เข้าสิงและชักนำแงซรายอยู่ในขณะนี้ก็ได้ซึ่งบันดาลให้คุณเห็นภาพอันแท้จริงมาเรียนลุกขึ้นยืนดูดบุหรี่จากก้นที่ขีบติดนิ้วอยู่จนแก้มตอบมองหน้าเขากับรอยเท้านั้นสลับกัน ฉันผ่านความลี้ลับของการละทวีปมันแล้วผ่านปาของอินเดียซึ่งเต็มไปด้วยมนต์มืดมายาแต่สาบานก็ได้ว่ามันยังไม่ได้สักกระเพีอกเล็บของสิ่งที่เราพบเห็นเผชิญกันอยู่ในขณะนี้จากหลักฐานความจริงที่เราค้นพบนี่บอกได้แน่นอนว่าเจ้าของรอยเท้าก็คือแง่สายแต่ทำไมทำไมเมื่อฉันลืมตาตื่นขึ้นมาฉันถึงเห็นหน้าตาของเขาเป็นคนอื่นไป รวมทั้งภาษาที่พูดด้วนจนกระทั่งทำให้เข้าใจไปว่าเป็นฝันเป็นไปได้หรือที่มีวิ ญ, ญญาณหนึ่งเข้าสิงครอบงำอยู่ในร่างกายของแง่ไซและบันดาลให้ฉันเห็นภาพชนิดนั้นขึ้นคุณก็น่าจะตอบตัวเองได้ดีที่สุดนะเพราะเห็นมากระตาเราเข้าใจกันอยู่แล้วนี่ว่านับตั้งแต่แง่ไซขโมยแผนที่นีหายไปจากเราแง่ไยก็ไม่ได้เป็นตัวของมันเองเลย แต่ถูกครอบงำด้วยพลังงานชนิดหนึง่งชักจูงบงการไปไม่ว่าจะเคลื่อนไหวหรือกระทำสิ่งใดลงไปแม้กระทั่งล่อให้เราติดตามนั่นก็คือพลังงานที่สิงอยู่ในตัวมันไม่ได้เป็นเจตนารู้สึกตัวของมันเลยชัยยันพูดเกือบเป็นเสียงกระซิบแต่เราก็เชื่อว่ามันเป็นเพราะอำนาจสกปของเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นไอ้กองกอยไม่ใช่หรอฉันจะไม่แปลกใจเลยนะ ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเห็นผีกองกอยเข้ามาปลุกฉันเพราะเรารู้จักและคุ้นเคยกับพฤติการที่ซอแวเป็นมิตรของมันดีอยู่แล้วความฉุกใจชนิดนึงผ่านแวบไปในความรู้สึกของชายยันอย่างกระทันหันเขามองตาเพื่อนสาวผู้ร่วมสถานการณ์อยู่นานเหมือนจะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดในสมองไปยังหล่อนแล้วบัดนั้นเองมาเรียก็ลืมตากว้างขึ้นแม้จะเป็นเลือดยุโรปฝรั่งมังค่า เส้นขนสีทองบนแขนทั้งสองลุกชันขึ้นมองเห็นอย่างถนัดชัยันแมมสาวหลุดปากกมาเสียงสัน่นสีหน้าปั้นยากที่สุดขยับเบียดกายเข้ามาชิดเขาโดยไม่รู้สึกตัวรู้สึกว่าเราจะได้คาตอบเลยนะเกี่ยวกับเจ้าสัตว์ประหลาดที่เราพบเห็นมันในสภาพครึ่งสัตว์ครึ่งพูดตัวนั้นมันมันคือ เสียงของหล่อนขาดหายไปพร้อมกับหลับตานแน่นลงสั่นสะเทือนไปทั้งกายอย่างสยองใจเหลือที่จะกล่าวอย่าเพิ่งคิดค้นหาคําตอบอะไรในขณะนี้ก่อนเลยเมเดี๋ยวนี้เราไม่เพียงแต่จะหลงป่าเท่านั้นนะแต่ยังหลงอยู่ในแดนสนธยาซึ่งเกินกว่าที่จะขบคิดปัญหาใดๆดได้ทั้งสิ้นด้วยถ้าเราไม่ตายซะก่อนคําตอบมันคงจะทยอยมาหาเราทีละปราะว่าอะไรคืออะไรอย่างน้อยที่สุด เดากก็น่าจะอุ่นใจแล้วล่าว่าแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ไรา้เพียงไรก็ยังมีสิ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือเราอยู่อย่างลึกลับสิ่งนั้นสุดแต่ว่าเราจะเรียกมันว่ายังไงแงส า, ายก็ได้ผีกองกอยก็ได้หรือวรมันขุนศึกแห่งนิทรานครก็ได้เพราะมันคือสิ่งเดียวกันชยันโอประคองไหลมาเรียไวย้กล่าวด้วยน้ำเสียงปลอบใจ ผู้ใหญ่ต่อมานักผจญภัยสาวเลือดยุโรปสะบัดหน้าแรงๆลืมตาขึ้นข่มอำนาจความสยองกลัวที่เล่นเข้าจับใจเป็นครั้งแรกลงเป็นปกติพยักหน้าบอกองบ อ, อะออกตามร้อยไอ้ค้างขาวผีดิบเนื่องกระเถิษยัน